มานในเบื้องต้นก็คือมานที่น้อยนอยนะคือตัวง่วงนี่แหละเรียกว่าเสนามานตัวง่ว ง, ต, วงตัวเงาตัวเบือ่อตัวอยากพี่ดูเลยแหตื่นมาแล้วมันอยากทันทีอยากหลับอยากนอนอยากกินคือเรื่ปัญห า, ม, ามันเกิดตื่นเช้ามามันเกิดทันที เรารักษาจิตลองดูดิตื่นมามันเหมือนกับเราบุกในเชิงรุกนะจะเป็นการรบเนี่ยแทนที่เราจะใช้สา ย, สายเราค่อยไปรับมันตอนทําการทํางานเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเราค่อยๆต่อสู้แก้ไขนั่นันรับมันมากเกินไปก็คือรุกขึ้นมาเลยตั้งแต่ตื่นเช้าเดินหน้าเลยบุกเข้าไปในรังเข้ามัน อตอนเช้ามันจะง่วงง่วงดูนี่มันง่วงขนาดไหนง่วงเกิดจากอะไรศึกษาตั้งแต่เช้าเลยสังเกตเข้าไปดนั้นคนไหนทําความเพียรอยู่เรื่อยๆอาสวะมันจะหมดกิเลส ท, ที่มันหมักหมมอยู่ในใจเขาเรียกว่ากิเลส ท, ที่มันแฝงอยู่ในจิตเราเนี่ยมันจะหมดเมตื่นเช้ามาในกิเลสตรงๆก็คือกระทบทางตาหูาจมูกลิ้นกาย แต่กิเลสที่แฝงอยู่ก็คือพวกอนุสัยนะความชอบความชังที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันจะแฝงอยู่กับชิตเราดังั้นถ้าเราตื่นแต่ เ, เช้าเนี่ยเราได้สังเกตเห็นความชอบความไม่ชอบอะไรได้ละเอียดขึ้นแต่บางคนก็ยังว่า น, น่าสงสารตื่นเช้าก็ไม่ไหวอา้าวตอนเช้านี้อนุญาตให้ไปนอนอีกได้นะใครจะไปนอน ไม่ไวหวไปนอนอีกคือก็เอ า, าเฉพาะคนที่ไหวนะคนที่ไม่ไหวก็ให้ไปพักผ่อนหลับนอนพราะเราไม่ได้แจกวุฒิบัติกันนะถ้าวุฒิบัตรว่าได้ผ่านการอบรมเราก็ได้เดินผ่านแล้วตรงนี้อได้ผ่านเข้ามาก็แต่จะได้ผ่านเส้นทาง อ, ร, อางริยมรรคหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนัคนที่ ปฏิบัติธรรมที่จะเห็นธรรมได้เนี่ยต้องมีความอดทนต่อเวทนาที่สูงถ้าตื้นๆนี่นไม่ผ่านยากเห็นไว้ในรูปภาพเนี่ยอยุปเครงบนนะที่จริงหลงตาว่าจะเล่นมายากลให้ดูนะวันนี้แต่ไม่ได้หยิบอุปกรณ์มาพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความอดทนระดับเนี่ยอดทนที่ อดทนในระดับที่ที่มากมากมากจนกระทั่งเขาเขียนอุปมาว่ามีมีแม่โทรณีเนี่ยมาช่วยความอดทนของท่านแม่โทรณีเนี่ยธรณีก็หมายถึงแผ่นดินหมายถึงความหนักแน่นต้องมีความหนักแน่นหนักแน่นเหมือนแผ่นดินที่สามารถรองรับอะไรได้เยอะแยะเลยนะต้องระดับนั้นนะถึงจะได้ท่านใจเรารับอารมณ์ได้ประเภทไหนบ้าง ใครว่าอะไรโงนหิบใครติติงอะไรเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ดีกูถูกแล้วก็ยังติเตียนกูยังนย่างนี่ยอย่างนั้นยากความหนักแน่นเราน้อยไปเรายังไม่มีแม่ทรณีมีแต่ลูกมันเนะ่ลูกทรณีอดทนได้น้อยนึ่งอะไรกูชอบกูก็อดทนอดทนเพื่อกูจะเอาอะไรกูไม่ชอบกูก็ไม่อดทนถ้าอย่างนี้เลยยากต้องมีแม่ทรณีเนี่ย จะยิงบระพุทธเจ้ามีความอดทนเขาเรียกว่าขันติธรรมนั่นแหละต้องมีคุณธรรมในระดับขันติธรรม อ, อมาช่วยเพราะคนทั้งหลายทั้งปวงนี่สังเกีติด้วดีนะรอบๆข้างจะมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดความปรุงความแต่งเกิดจากกิเลสตัหาอุปทานเนี่ยมันมากมายหลากหลายเข้ามารังควานชีวิตเขา พระพุทธเจามองดูสัตว์โลกเนี่ยถูกไฟมันไหม้มันไม่หัวเราเนี่ยแหละคือคิดมากนั่นเองตัญหามันก็เกิดที่หัวนี่แหละคิดมากที่ขนหนอกขนสัตว์ออกจากวัฏสรรงสารเนี่ยสัตว์ก็คือมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยสัตว์วงควายหมูหมากาไก่เนี่ยออกไม่ได้แต่ต้องเป็นสัตว์มนุษย์ แล้วมนุษย์ก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาด้วยศรัทธาที่จะฝึกฝนตัวเองเนี่ยแล้วเป็นผู้ที่เข้มแข็งในระดับที่ฝึกได้ด้วยไม่ใช่ฝึกไม่ได้แล้วไม่มีความเข้มแข็งพอคือศักยภาพที่จะไปเกิดใหม่เนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าบุญที่ทำไว้มันที่จะไปเกิดใหม่มันไม่มีเขาใช้คำว่าจุตินะจุติจุติแปลว่าเคลื่อน อย่างพวกเธอนี่อยู่ที่บ้านเธอเคลื่อนลงมาสู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอันเนี้ยชื่ออะไรนะลืมแล้วอันนี้ฮะเอออาสมอืมเออวงสนิทนะลืมเร็วลงตาเป็นคนลืมไวนเนี่ยจําไม่ได้แต่หน้าตาเนี่ยจาได้อยู่แต่ว่าชื่อจําไม่ได้จําชื่อคนก็ไม่ได้บางทีพระ ด้วยกันยังคิดตั้งนานอยู่ด้วยกันมาหลายปีนะี่คิดก่อนนะคืออะไรวะอะไรเนี่ยความจํามันเสื่อมแสดงว่าปฏิบัติทำได้ผลสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงถ้าปฏิบัติทำแล้วทําให้มันเที่ยงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่สัจธรรมอันนั้นแต่เป็นโรคความจําเสื่อมรึเปล่าผมไม่รู้นะอันนั้นแต่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเราก็ยอมรับว่ามันไม่เที่ยงโอ้มันจงโง่เพิ่มแล้วนี่เป็นสุขไหมโง่เพิ่มเป็นสุข รับได้ไหมรับได้ความจําเสื่อมก็รับได้ความจําดีก็รับได้แต่คนทั้งหลายตั้งปวงนี่ความจาเสื่อมหน่อยไม่ได้กินวิตามินดันดีนะนี่้ารับได้โอ้เป็นหนีเนาะถ้าเราปฏิบัติธรรเราก็สังเกตดูนะสังเกตด้วยใจเรานี่หนักแน่นพอไม่ตึงนึนมาเนี่ยวันไหวไหมมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่วันไหวไหมนี่ทุกไหม อึดอัดไหมหงุดหงิดไหมเราไม่ต้องให้มันหงุดหงิดไม่ต้องให้มันอึดอัดขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้หามันน่ะหาช่องว่างต้องเคลื่อนออกมาให้ได้ชีวิตเนี่ยเคลื่อนออกจากฐานที่เคยง่วงเนี่ยถ้า ง, ง่วงออกได้เขาเรียกว่าเราจะได้จุติจุติไม่ใช่ไปว่าตายนะจะได้ไปจุติในสวรรค์ฉะนั้นจุติไปอยู่ตรงโน้นจุติไปเมืองมนุษย์เลยจุติไปว่าเคลื่อนมันเคลื่อนออกจากความโง่ จุติในพบใหม่คําว่าจุติใหมายถึงสภาวะจิตที่มันเคลื่อนออกจากจากสภาพเดิมที่มันติดอยู่นหะมันเคยติดเรื่องไหนอ่ะมันเคลื่อนออกมาจากอาวิชาเลรอเคลื่อนออกจากฐานข้ อ, อวิชามาสู่วิชาสู่ปัญญาทำภาวะนันให้เกิดให้มีอ่ะนั้นคนทั้งหลายทั้งปวงนี่อยู่ในนรกนะในนรกติดอยู่ในอนรนรกในอบายอบายก็คือไม่สบายเนะี่ย ไม่สบายเขาเรียกว่าอาบายถ้าสบายก็คือสบายสบายกับอาบายวันวันหนึ่งเราอยู่กับความเป็นอับาบนี่เยอะมากนะอดีตอนาคตคิดแล้วคิดอีกทุกแล้วทุกอีกอยู่กับความโลภโกรธหลงราคาตัณหาหะไจิตมันไม่ยอมถอยออกมานะถ้าเราไม่ใส่สติเข้าไปนี่มันไม่ออกล้วเอาสติไปถมถมถ ม, ถมเหมือนถมทราย ผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นจิตเนี่ยแล้วมันจะเริ่มถอนตัวเองออกมาแต่ถ้าเราไม่ถมล่ะมันจะจมลงไปเรื่อยยิ่งวิ่งว่นมันยิ่งหมุนแล้วจมลงไปเรื่อยๆเนี่ยเมือนเราวิ่งในในทะเลทรายในน้ําเนี่ยยิ่งวิ่งมันก็ยิ่งลงะแต่ถ้ามีน้ํามีอะไรเข้าไปหน่อยมันจะอัดแน่นแน่ น, นขึ้นแนนน่ขึ้แล้วมันจะออกมาได้เหมือนกันน่ะขยันตื่นดึกลุกเช้า แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วทำความเพียรได้อะไรไม่ได้อะไรก็ช่างอ่ะอย่างเราก็ได้รู้รู้ว่าจิตเราเป็นแบบนี้นะฝื้นอยู่บ่อยๆแล้วก็ต้องมีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งถ้ามีสติกับมีขันติสองอันนี้ถือก็ไปถือว่าเยอะแล้วขันติเยอะๆอดทนมากๆในขณะเดี้ก็อดทนแบบรู้ถ้าอดทนอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็น ศา ส, สนาพราหมยไปอดทนอดกลั้นอย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่มีสติแต่ผู้ศาสนาเนี่ยมันจะมีความรู้ศึกคือมีสติเป็นตัวรู้อยู่ด้วยแล้วก็มีความอดทนด้วยอดทนอดกลั้นสังเกตอดทนกับสติขวัญตีบวกกันไม่ที่กลายเป็นปัญญาแล้วสังเกตดูดิ มันง่วงเอาอดทนดูหน่อยดิอดทนเพื่อจะดูดูว่าง่วงเกิดจากอะไรอย่าสังเกตดูเมื่มัานง่วงลองทําใหม่ดูดิรีไวดูง่วงเว่อร์เอากอเริ่มใหม่ดิมันมายังไงเมื่อกี้นี่เริมดูใหม่เริมให่ยังไม่เข้าใจดูใหม่อีกดูใหม่อีกอยู่เรื่อยเนี่ยกลับไปดูใหม่อยู่เรื่อยๆมันเบื่อเอามันเบื่อเลยเบื่อเกิดจากอะไรอย่าดูใหม่ดีเบื่อนี่กลับไปดูใหม่อยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะ จมแจ้งขึ้นเรืเร่อยๆอันเดิมนั่นแหละอย่างเราตื่นมาเรามาฟังอันเก่าปฏิบัติก็อันเดิมเล่าเรื่องเดิมๆคือเรื่องสติสัมปัยญญาเนี่ยเรื่องอริยสัจอริยสัจในพระพุทธเจ้าแสดงแก่ใครก็ไม่รู้นะมากมายหลากหลายที่เราเอามาสวดตอนเช้าเนี่ยสวดอริยสัจสี่นีโรธทรกขามินีปฏิปทาขนทางไปสู่ความดับไม่เหลือ ถ้าดับแล้วไม่เหลือนะั่นถึงเป็นนิโรธแต่ถ้าดับแล้วเหลือนี่ยังไม่ใช่ น, นิโรธ ด, ดับทุกนะ่ะยังดับห่วงดับได้หรือยังดับได้แล้วแต่เป็นอีกไม่เป็นอีกวันนี้ก็เป็นไ ม, ไม่ใช่ น, นิโรธนะนิโรธนี่มันเกิดขึ้นครั้งเดียวเพรเห็นนิโรธมันดับดับแล้วมันหายไปเลยมันไม่เป็นอีกนะเวลาเราฟังสวดฟังเสร็จก็จบไปเลยลืมไปหมดแล้วไม่รู้สวดอะไรเมื่อกี้นี่เห็นไหม มันไม่เก็ตอะไรสักอันเลยอะผ่านไปเฉยเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเขาบรรลุธรรมบรรลุธรรมเมาบรรลุธรรมเมาแต่เรานี่ไม่บรรลุมันฟังเฉยเฉยเนะี่ยนั้นเราก็เอาใหม่สวดใหม่อยู่เรื่อยเรื่อ ย, เ, อยเหมื อ, อชาวบ้านเขาเนะ่ยตื่นมาเขาก็สวดมนต์ตื่นมาก็สวดมนเพื่ออะไรเพื่อให้สมาธิมันปรากฏเกิดขึ้นเพื่อให้ปัญญามันเกิดมันยังไม่เกิดก็สวดใหม่แต่ถ้าสวดเพื่อขลังศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นความ ง, ง, ไงไมงายไป สวดเพื่อความเข้าใจแล้วก็สังเกตดูว่าในตัวเรามันมีไหมถ้ามันไม่มีเราก็ทำไหมเป็นเหมือนเครื่องมือในการตรวจสอบจิตตัวเองน่ลองทบทวนดูดิควรเราเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะอวิชชาทำให้เกิดตัณหาอาวิชชาแปลว่าไม่รู้แจ้ง คือมันไม่เกิดยามสาญาณสามประเภทเนี่ยปรากฏในจิตเราคําว่าไม่รู้แจ้งเี่ยไม่รู้แจ้งในปัญญาสามอย่างนี่คือหนึ่งไม่รู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณสติของเราเนี่ยมันไม่พอที่เป็นญาณ น, น, นั้นไม่สามารถที่จะรู้จักไม่สามารถที่จะชําระล้างจิตของเราที่มันไปนติดอยู่ในพบในอดีตเราอะ่ะ อดีตเราไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงพอใจไม่พอใจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลงลึกเห็นขนาดนั้นมันเห็นแค่มันคิดมันไม่คิ ด, คดตอนนี้เฉยเฉยเนี่ยแต่สาเหตุได้าหนึ่งที่ทําให้เกิดเป็นทุกข์อยู่ปัจจุบันก็คือสิ่งที่สะสมหมักหมมอยู่ในจิตเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเรารักใครชังใครโกรธใครเกลียดใครเนี่ยเราไปทําอะไรไว้ทําการทํางานทำโน้ตทมันสะสมสะสมสะสมเป็นตะกอนอยู่ในจิตเนี่ยเราไม่มีปัญญาเข้าไปลื้อถอ น, น, นอันนี้อันหนึ่ง เราแต่ว่าเออไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่วันนี้พอปล่อยวางได้บ้างอะไรบ้างแต่มันไม่เกิดสติที่มันมีน้ําหนักที่สามารถระลึกรู้อดีตตัวเองอันนี้แล้วรื้อถอนอันเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดการสํารอกกิเลสอดีตเนี่ยออกได้ปฏิบัติธรรมไม่ต้องเกิดสภาวะเ น, นี่ยไม่ใช่ว่ากําหนดรู้ในยุทธจักรวั น, นเห็นมันคิดก็ดับได้อะไรเฉยเฉยแค่นี้อันนี้มันเป็นเหตุมันอันเนี่ย แต่ผลมันคือถ้าทําได้ในระดับที่มันถ่ายถอนอนุใสอวสวงที่อยู่ในจิตลึกๆแบบนี้ไ ด, <c oughs> ได้เห็นความคิดถึงความปรุงแต่งเห็นความทุกข์ที่เกิดจากอดีตได้แล้วรื้อถอนออกได้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเกิดญาณที่หนึ่งเขาเรียกวิาวชาวิชาในพุทธศาสนาหมายถึงอะไเนี้ยเราต้องทำมันนั้นให้ได้แค่ระ ล, ลึกรู้แล้วดับความคิดเฉยๆแต่ละวันแต่ละวันนี้มันไม่พอมันไม่สามารถที่จะดับ สั่งโยชน์เขาเรียกว่ากิเลสในระดับที่เรียกว่าสั่งโยนดที่อยู่ในใจเรนะาเนี่ยบางคนหลาหลายคนนะทุกเพะอดีตนะทุกพออดีตเนะกลียดคนนั้นชังคนนี้นี่เพราะอดีตมันบังคับให้เราเราอยากได้อยากมีอยากเป็นมรรคมบังคับมาอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหนะ้าที่เหมือนคนอื่นเขาเรียกว่ามันมีสิ่งบีบพันในจิตใจฝังใจ เรารวยไม่เท่าคนอื่นเราเป็นหนึ่งอันนี้เราก็เลยฝึกฝืนเหมือนมันถูกบีบมาตั้งแต่อดีตนะในความรู้สึกเราเนี่ยพี่น้องคนนั้นยังรวยไงเราทําไมไม่รวยควนนั้นสวยเกิดมาใชาที่กูต้องสวยไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันบีบพันเดียข้างในแต่พอเกิดปัญญานี้่มันจะล้างอันนี้ออกแล้วมันจะเป็นธรรมชาติเลยทีนี้มันไม่ต้องมีการเรียกร้องไม่มีการความร้อนเล่าที่เกิดจากการบีบบังคับปันนี้มันจะหายไป แต่ก่อนที่จะเกิดอันนี้ก็คือต้องล้างความงมงายออกไปก่อนจิตพอได้ตัวรู้แล้วความงม ง, งายมันจะหายไปไอ้พวกไปปฏิบัติทำแล้วแขนรูปแขนเหรียญแขนพระแขนสร้อยแขนอนะไรใดๆโอ้ยน่าสงสารนะเนี่ยอยู่ห่างไกลสัจธรรมนะหรืออย่างในโน้ยเนี่ยส่วนมากเราพึ่งพระพึ่งรูปพึ่งเหรียญพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งอะไรใดๆแสดงว่ามันยังเข้าไม่ถึงอันนี้ดโดยซ้ําไปเพราะเราติดอันนี้ไง ปฏิบัติทำในขาให้พึ่งตัวรู้พึ่งสติเวลาสติมันเกิดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมันเรื่องนอกตัวนะนะมันเป็นแค่รูปเฉยแต่เราก็งงงาบางคนลงทุนซื้อตั้งเยอะนะแพงด้วยแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยแพงราคาแพงราคาสูงเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความเชื่อไงแต่พอปฏิบัติทำแล้วเราเชื่อในตัวรู้ของเราที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ย ตัวสติสัมรยญะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมั่นใจเลยแล้วชีวิตมันน้อยๆมันไม่มากเกิดมาเนี่ยเราดูแลมันน้อยๆวันๆหนึ่งเนี่ยกินน้อยๆดื่มน้อยๆนอนน้อยๆก็พอละชีวิตเนี่ยแล้วสามารถทําประโยชน์อะไรได้เยอะแยะเลยอย่างพระสงฆ์เจ้าเวลากินก็ไม่กี่มื้อนยชีวิตเนี่ยแล้วตื่นก็ประมาณเนี่ยนอนก็นอนทีหลัง ขารวะญาติโยมด้วยสมัยแต่หาก็ไม่ได้หาเยอะแบบญาติโยมมีได้หาเอาออกไม่ได้เอาเข้าแต่ชีวิตเขาก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้เยอะแยะเลยตรงข้ามกับญาติโยมหาอะไรเยอะแยะมีเงินมีท้องเข้าของอะไรมากมายหลากหลายแต่ละวันก็ทําหามรุปหมาข้ามตื่นถึงลูกเช้าเลยเอาจริงเอาจังแต่ว่ามีได้เอาเข้าเอาเข้าเอาเข้าสิ่งที่เอาเข้ามาแล้วก็เป็นพิษแล้วก็ออกไม่เป็นเพราะเอาแต่ความคิดเข้ามาน่ะ ธุละหนะ้าที่การงานเราด้เอามามาแล้วก็มีแตเกะแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหามีแต่แก้ไขปัญหาขณนะตัวเรายังทุกข์ปานนี้นะประเทศชาติบ้านเมืองก็ยิ่งหนักนะเอาอนั้นเข้ามานี่ว่าจะสร้างน้นสร้างนี้อะไรขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหาอยู่นั่นแนหะมันก็แก้ไม่ได้นะเพราะคนนี้มันมีความยากเราแก้ไม่เป็นนะส่วนมากเราไปแก้ที่โครงสร้างที่ตัวองค์กร ท, นนที่น้นนี่แต่เราไม่ได้แก้ที่ใจเรา แล้วเราก็สังเกตดูดี ว, วันหนึ่งเนี่ยอาวิชาเรามีกี่ตัวมันเกิดปัญญาบ้างไหมทีนี้มันมันเกิดปัญญารู้รูปรูปรป้นามแล้วจะสังเกตว่าอาการของของการเกิดปัญญาเห็นไอ้ตัวสังโยชน์เก่าๆเนี่ยที่อยู่ในใจเรานะความรักความหลงความ ยึดติดอะไรต่างที่เป็นอุประธานในขันที่หยาบๆเนี่ยมันจะหลุดออกไปพอได้สติปุ๊บรู้สึกตัวเราจะเห็นจิตที่มันว่างมันเป็นยังไงจิตที่มันว่างว่างภาวะของศูนย์เนี่ยมันเป็นยังไงจิตที่ไม่มีอะไรที่เกิดจากสติสัมปชัญญะที่ค้นพบจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงพอรู้สึกตัวระดับหนึ่งเนี่ยจิตมันจะย้อนกลับหลัง จะย้อนกลับไปเห็นอดีตเราอาดีตเราไปทํำโน่นทำน e ี้แต่เรารู้สึกเฉยๆนะระ ล, ลึกรู้อยู่ปัจจุบันเฉยๆแต่อดีตนี้มันจะถูกโผล่ขึ้นเหมือนมันระลึกรู้แล้วเหมือนดึงชักขึ้นมาอย่าแล้วมันจะผ่านมาแล้วมันก็ดับไปดับไปดับไปดับไปแล้วมันก็หมดเกี้ยงไปเลยเนี่ไอความรู้สึกที่เป็นทุกข์เพราะอดีตเนี่ยแล้วมันจะหายไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราจะไม่ทุกข์เพราะอดีตเรามีอดีตแต่ไม่ทุกข์เพราะอดีตมันอดีตมันถูกล้างหมด่ ไม่มีความโกรธความเกลียดความชัง่งแต่จําได้ไม่จําได้จําได้เป็นแผลเป็นแผลเป็นเน่ยแต่ว่าไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยคือจําได้นะเคยเป็นอะไรมานะ่ะเคยถูกอะไรทุกข์เพราะอะไรจําได้มันไม่ทุกข์เพราะนั้นแต่ต้องเกิดปัญญานี้ก่อนนะมีคนคนหนึ่งเคยปฏิบัติทำด้วยเคยฆ่าคนมานอนไม่ค่อยหลับเวลา เก็บอรมคนอื่นเขารู้รูปรู้น้ำเข้าใจนะนี่เขาเวลาไปสอบปรมเขาก็จะร้องไห้ตลอดเวลาน้ำตาไหลลงตาครับผมคงไม่มีบุญวาสนาเป็นอะไรลงตารู้ไ ม, ม่ผมอาชีพอะไรไม่รู้บินทบาทมั้งเพราะบวดแล้วเขาบินทบาทนะั้นไม่ใช่ผมเป็นมือปืนนะฆ่าคนเป็นมือปืนรับจ้างไง ฆ่าคนคนก็ตามฆ่าเขาเขาก็ฆ่าคนนี่เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยภาพพวกนี้ที่มันเคยยิงคนเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาผมไม่มีโอกาสที่จะเห็นธรรมะเขาก็กกดื่นเขาพอพูดแล้วเขากน้ำตาไหลแต่ไม่ได้ร้องไห้เสึกซือกนะแต่น้ำตาไหลพวกนี้มันเข้มแข็งมากนะกนตาไหลถามว่าฆ่ามา ก, กี่คนเขาก็ว่าทานันตนีคนน้อยกว่าองคุริมนัน องคุริมาตตั้งเก้าร้ยกว่าคนนะเธอมาเน้นๆเองนะมันผมกับองคุริมาตคนละคนกันนะองมาตอ๋อคนละคนก็จิตอันเดียวกันน่ะเธอมันไม่เข้มแข็งเมื่องค์ุริมาต์ท่านเองถ้าองค์ุริมาตเป็นเธอหรือท่านมาอยู่กบเธอเนี่ยท่านจะบอกว่าเฮ้ยมึงยังไม่เท่ากูนะมึงตั้งใจมึงก็จะรู้มัอนกูตั้งใจมีกำลังใจถ้าเราไปพูดโอยตายฆ่าคนมานบาปซึกไปเถอะ ไม่มีโอกาสเห็นธรรมะเราไอ้บาปคุณเทัาไระระวังนะกูก็กลัวมึงเหมือนกันนน่ทำไมไม่ได้เขาก็จะคิดมากกันทีอ่ะเลยพตั้งใจทำจะไปกลัวตั้งใจปฏิบัตินะอย่าไปเสียใจอย่าปฏิบัติธรรมด้วยน้ําตาปฏิบัติธรรมเนี่ยฝืนฝึกอบรมใครจะรู้เลยชีวิตเนี่ยหลวงตาว่าข่าคนก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะหลวงตาว่าเนี่ยไม่บาปเหรอเดาจะบาปอะไรเนาะ เป็นธรรมชาตินะแต่ข่าค่าพระนีบาปนะฆ่าคนมันจะบาปอะไรเนาะเธอไม่ได้ยินเนอะอย่าได้ถือว่าเป็นสัตวะอย่าคิดว่าเป็นชีวะมีชีวิตเป็นสัตวะอันยั่งยืนเน่ะสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักวาธาตามธรรมชาติทุกอย่างมองเป็นธาตุหมดเลยเหมือนละที่นิไกยหนึ่งของศาสนา อ้าวเอาวัตถุผ่านวัตถุไอ้นี่มันชั่วนะนี่เอามีดเสียบเข้าไปอ้าวเอามีดเอาวัตถุผ่านวัตถุบอกว่าไปเกิดใหม่ซะเกิดมามันทุกข์เขาไม่ได้มองว่าเขาฆ่าคนน่ะอืมเขาก็เริ่มคิดใหม่มีแนวความคิดใหม่บาปก็คือไม่ดีนั่นแหละาบาปคือไม่เหมาะสมนั่นแหละบาก็คือไม่ควรนั่นแหละอมันไม่ถูกนั่นแหละมันมีปัญหามันสร้างปัญหากับคนนั่นแหละปัญหากับใจตัวเอง บาปก็คือทุกนั่นแหละเราว่าสิ่งที่ทําไปคือไม่บาปก็คือไม่ทุกเธอทําเป็นไม่อะไรถ้าเธอทําได้ก็ไม่บาปถ้าเธอทําได้ไม่ได้เธอก็บาปแหละอันนี้เขาก็ตั้งใจทําใหม่เพราะตั้งใจทําใหม่เขาก็ทําได้นะออกพรรษามาสองสามเดือนนะ่ไปทําความเพียรมันไม่มีอะไรจะทำํำเวลาไปทุ ด, ดงว่คิดมากวันจะทํายังไง อยู่ในภูเขาแล้วติดไล่มันซ้ำประหลังเขากลางคืนเขาก็นอนไม่หลับเขาหวาดผวาเพราะว่าข้างเตียงนอนข้างที่นอนในกดเขาก็มีแต่ปืนเวลาเราไปสอบรมกลางคืนดึกๆไม่ได้นะแก๋ควักมาเก็ถืออยู่นะหลวงตานะหลวงตานะบอกต้องบอกก่อนนะมันอันตรายทําอะไรถนอนไม่หลับครับแล้วทำไงละ่ะหนาวพิ้งไฟ แต่เราดูรู้นะเอ้ยนั่งยิงไฟคุยกับเขากลางคืนเอาไมา้เขี่ยๆ้วยในกองเพระจะไหนได้มันหมกมันสาปะหลังมันจะกินกลางคืนนะมันฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านต้องกินมันนอนไม่หลับมาเลยว่าอันนี้บาปนะเนี่ยกินมันสำปะลังเนี่ยขาคนไม่บาปจะมากินีมันนี่ก็บาปนะอันนี้ไม่เหมาะสมจิตอ่อนตกต่าที่นี่ก็เทศแหล่ะที่เนี่ยดุนะว่าอย่างโน้นอย่านี้ไปลองให้น้าตาไหล ครับผมอยากศึกศึกไปทำไมแก้ไขใจก็ยังไม่เป็นเนี่ยศึกไปก็ทุกข์อีกจิตแบบนี้มันจะไปอัตราบาชคนอื่นอีกทั้งข่าคนทั้งขายยาบ้าทั้งอะไรทั้งคมคืนเมียเจ้านายปัญหาหลายเรื่องเขาห น, นีตายมาบวชหนีข้ามภาคเลยนะไม่ใช่ว่าอยู่แถวแถวบ้านนะข้ามภาคข้ามจังหวัดไม่รู้ขี่สิบจังหวัดเพื่อจะมาหลบหนีมานะ่ะ ขณะนั้นเขายังตามพวกมือปืนเนี่ยเขาจะรู้เขาตามค่าตามเก็บแต่เขาตั้งใจทําอ่ะตั้งใจท้าแต่เขาเป็นคนเฉยๆนะไม่รู้นะว่าเขาเป็นอะไรเราก็ไม่ได้ถามประวัติว่าเป็นอะไรมานะเพราะว่าในคํําคาสอบถามอันตรายยีกรร่กระทำอันตรายสําหรับผู้บวชใหม่มันเก็ถามว่ากุฎถังคันโดกีลาโซโซโ ซ, โซโอัปมาโรกุฎถังเป็นขี้กาบบ้างไหมเนี่ย เป็นขี่ที่กากระบวดไม่ได้นะเขาก็บอกว่านัทถิพันเตไม่ใช่เป็นโรกมองคลอโรกลมบ้าหมูไหมนัทถิพันเตเป็นตุ๊ดบ้างไหมมันมีนะถามนะปุริโซปุริโ ซ, โซสิเป็นผู้ชายแท้ไหมถามก็แสดงว่าเป็นตุ๊ดไหมใช่ไหมเป็นผู้ชายแท้ไหมเนี่ยเขาก็กว่าอามะพันเตเป็นผู้ชายแท้ เดี๋ยวนี้มีเยอะไหมไม่แท้เนี่ยพระนะพระพระทุต่เห็นเยอะไหมมีไห ม, มเดี๋ยวนี้ถขึ้นไปทางเหนือนะทางเหนือโอ้ยนะสวยงามมากแม้แต่พระกรรมฐานเรายังหวั่นไหว <c oughs> ไปเห็นนะที่ตลาดแม่สายก็มีแต่ตัวดีๆขมัดผูกโบอันนี้ กาะกึกทันทีนมันมีสายไม่มี้มัดแบบนี้นะมันมีเกาะกนไปหน้าตาในเขาผ่องใส ย, ยองใยนะถ้ากรรมฐ า, านอ่อนเนี่ยตายพระไปทุดงไปพระวัวัดนั้นวัดนี้ทุดงทุระทุเรีเข้าไปเนี่ยเข้าไปวัดนั้ น, นพอเข้าไปเจอเขาเนี่ยจะเห็นหรอกเขามาต้อนรับเนี่ยเรียบร้อยยิ่งกว่ารีเซพชันโรงแรมโอเลนต็น แนั้นมันไม่มีคำพูดเนะี่ยเป็นมือปืนไหมไม่มีมันไม่มีคำถามมันก็เลยไม่ได้ถามนะฆ่าคนมาไหมไม่ได้ถามมันไม่ได้เกี่ยวกันฆ่าคนก็ไรอะไรก็ไรไม่ได้เกี่ยวเพราะเขาไม่ได้ถามมันนั้นเขาปฏิบัติธรรมเหมือนพระกรฐานที่เบียดองโคงหนึ่งนะท่านปฏิบัติธรรมเป็นต้นแบบเลยแหละปฏิบัติธรรมทำความเพียรป้า แล้วมันคิดถึงลูกคิดถึงเมียน่ะเป็นอะุปรสรรคต้องไปเลี้ยงดูแลเอาข่า เ, เอาหน้าไปปฏิบัติลําบากกลับไปฆ่าทิ้ง้งหมดสังกลับไปฆ่าทิ้งหมดเลยฆ่าลูกกับเมียแล้วก็มาปฏิบัติบรรุธรรมเหมือนกันพวกเธอเนี่กลับไปถ้ามันยคิดถึงปัญหาหุ่นไหวผัวเมียกลับไปเอายาเบื่อ ห, น, หนูให้มันกินหมดกลับมาปฏิบัติเนี่ยได้ลองทําดูนะ คนไหนที่าอกโอ้ยยุ่งยากดิฉันยากดิผมยากลูกยากเมียยากบัวลองไปแก้ไขแบบนั้นลองดูแล้วมันจะสบายถ้าอยู่ด้วยกันเลี้ยงกันไปจากนี้ไปถึงแก่เนี่ยจะหมดเท่าไหร่ถึงแสนไหมเกินนะเป็นล้านเลยนะแต่ถ้ายาเบือนหนูนี่ขวดละยี่สิบนะก็ไม่เท่าไหร่แต่จะเอาใส่้าเข้ามาให้พระนะ มันไม่เท่าไหร่หรอกแล้วก็ฆ่าศพเอาในมณพระมาสวดประมาณหมื่หนหนึ่งไม่อย่างมากค่าเลี้ยงแจกเลี้ยงคนประมาณ น, นั้นก็จบไปชีวิตนี้ก็เหลือแค่นั้นนอกนั้นก็ได้ปฏิบัติทำเต็มที่เลยทีนี้สบายเลยชาตินี้นี่หลวงตาก็ยังคิดอยู่เลยพวกปฏิบัติทำงงงเขาเงาเนี่ยเป็นพละอย่าเบื่อหนูดีไหมน้องวะเอาใส่ข้าวให้มันกินซะตอนมันตักอาหารเนี่ยพวกนี้เลาจะได้กินก่อนเนี่มันไม่ตื่นตัว มันพัฒนาไม่ได้ส่งให้มันไปเกิดใหม่ซะแล้วค่อยกลับมาใหม่คนเราไม่เข้าใจถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงเอออดีตมันเป็นมาอย่างนี้เนาะเอออาจจะเคยขะคนทำนู่ น, นทำนี่หรือมันที่ถูกข่มขืนถูกอะไรต่างเนี่ยมันฝังใจแล้วมันหวาดผวาเนะ่ะจิตนี่นะบางทีบางคนนอนไปนอนเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยนอนไม่หลับนะภาพอันนี้มันขึ้นมานะ่ะมันเหมือนราคะนะ คนในจิตล่ะข่าเยอะๆเวลานอนรูปกลาคืนมามันก็จะฝันไปในแนวนั้นน่ะจิตมันจะเผลอแต่พอมีสติมันรู้สึกตัวมันก็จะตัดยุดไปมันก็หายไปเหมือนกันน่ะคนที่มีอะไรที่ฝังอยู่ในจิตนะเคยทําอะไรมามากๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นตื่นมันจะหวาดภาวะแบบนั้นน่ะแต่ภาวะแบบนี้เนี่ยเวลารู้รูปนามเนี่ยมันจะสลายไปหมดเลยมันจะไม่มีอะที่ฝังอยู่ในจิตเนี่ยกิเลสฝังแบบนี้นี่ที่เกียรูปคนนี้มากๆเนี่ย มันจะหายไปอ่ะอย่างในละครเนี่ยแม่ผัวพ่อผัวเลยรต่างะเกียจชังลูกสะภ้ายเหมือนบ้านทรายทองเหมือนไอ้แบบเหมือนโนมเหมือนนีนะ่ที่มันโกรธเกลียดชังไม่ชอบมากๆเนี่ยให้มันจะเลือนสตินี่มันจะหายไปทันทีเลยมันจะปกติขึ้นมาทันทีมันจะไม่เกลียดชังแบบนั้นนะแต่ส่วนมากพวกนี้มันก็ไม่ไปเพราะอัตราตัวตนมันจัด โขเคีบแค้นริงชังให้มันปฏิบัติทำเยอะๆแล้วจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่มีอะไรมันมีแค่ตัวมันเองตัวกายเนี่ยตัวกายนี่ก็มีแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าขอให้มันเกิดวิชาขึ้นสักตัวหนึ่งเถิดวิชาสามเนี่ยเกิดตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ไม่ต้องพึงญาณสิบหกสิบเจดหรอกเอาแค่ยานตรงเตง น, นี่ก็พอแล้ววิชาสาม อันหนึ่งก็คือปเุเพนนิวาสานุสติญาณ น, น, นิวาดปุเพแปลว่าการก่อนนิวาดว่าที่อยู่นุสติคือสติความรู้ที่เกิดจากการฝึกสติความรู้ที่เกิดจากการระลึกรู้เนี่ยเป็นยานรู้ที่อยู่ของจิตในการก่อนว่ามันไปนทําอะไรยังไงมันสะสมไว้เนี่ยอันนี้อันหนึ่งนะคือเริ่มแรกคือต้องรู้อันนี้ ความรู้ในระดับนี้จริงเรียกว่าความรู้เป็นระดับความรู้แบบพธธุทธะโอปปุริเชเอาไปปฏิบัติทำที่ใต้ต้นโพนะท่านรู้ครั้งแรกรู้ญาณอันเนี้ยวันแรกตอนตอนเย็นเย็นเะนี้ยรู้อันนี้ดึกดึกมาก็รู้อันที่สองทีนี้แล้วก็อันที่สามตอนเช้าแล้วก็แจ้งแล้วก็ดับทุกได้เลยนะเพราเธอถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยมันจะรู้อยู่รูปนามอีกสามสี่วันนะถ้าขยันทำเนี่ย แล้วมันจะหายไปหายสงสัยเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยว่ดดับทุกดับยังไงเหลือแต่ว่าจะเอาจริงหรือไม่เอาจริงเท่านั้นเองแต่ถ้ามาปฏิบัติ้อันนั้นถูกกันนี่พิษโอ้ยนพอยลมานเกินไปง่วงเหงาเอาสู้ไม่ไหวอันนี้จะไปหาสติจากไหนอ่ะมันไม่มีตัวไปหายาหมองยาดมซะนนี้ผ่าตัดคงไม่ได้หรอกชีวิตอันเนี่ย คือเอาจริงเอาจังกับชีวิตคงไม่ได้นั่งตื่นมาเขาพยายามสังเกตดูโอ้จิตเรามันเป็นอย่างนี้เนาะมันมีอวิชชานะอวิชชาพอมันมีพอมันมีอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอ่ะเนี่ยนะพอไม่รู้แจ้งว่ามันเป็นเพียงรูปเพียงนามเป็นาธาตุเป็นขันเนี่ยเป็นอายตนาเป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นตนาเป็น อะไรตางเนี่ยอันนี้สตินะอันนี้จิตว่างไม่ว่างเพราะมันจับประเด็นพวกนี้ไม่ได้เนี่ยมันไม่รู้เลยอะไรอะไรเป็นอะไรเนี่ยวิธามันเข้ามาเราไหลไปตามกระแสเลยเป็นตัณหาทะเดียเพราะวิชาทําให้เกิดสังขารเนี่ยพอไม่รู้แจ้งมันก็เกิดการปรุงแต่งจิตนี่นะปรุงแต่งเห็นอะไรปุ๊บมันปรุงแต่งเห็นเฉยเฉยนี่มันไม่เฉยเฉยถ้าเห็นแจ้งวันที่เห็นแจ้งพอมันเห็นแจ้งแล้ววันต่อไปมันจะเห็นอะไรมันก็ธรรมชาติมันจะเห็นเฉเฉยเป็นธรรมดา จิตเนี่ยมันจะเป็นธรรมดามันจะไม่ปรุงแต่งสังเกตไว้ขนาดพวกเรามาปฏิบัติทําไม่กี่วันเวลากลับไปบ้านรู้สึกว่าไม่ค่อยคิดมากแล้วนะปล่อยวางได้ดีไม่ทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ละเริ่มปล่อยวางไปแล้วเห็นไหมขนาดมันยังไม่รู้แจ้งนะเนี่ยคือสติมันย้อนกลับมาหาตัวเองสักหน่อยมันก็ยังดีขึ้นขนาดนั้นถ้ามันเกิดญาณ น, นนี้ขึ้นมามันจะขนาดไหนเนี่ยญาณก็คือสตินั่นแหละแต่ว่าสติมันต้องต่อเนื่อง เคยเล่าให้คนฟังเคยบอกคนฟังอนะเนียมันเหมือนเราขับขับขี่อะไรสักอย่างยา น, นี่คือยานพาหนะของจิตอย่างมหายานในยานใหญ่หินและยานในยานน้อยนะคือสติในน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าหินแลยานแต่สติมองมากก็เป็นมหายานนะพวกเราเนี่ยมาที่นี่ขี่อะไรมารถอะไรขี่รถอะไรมานะ รถอะไรมาคะขี่รถอะไรมาเออรถตู้ตู้กับข้าวหรือตู้เป็นไหนตู้โตโยต้านี่นะขี่รถตู้มารถตู้ดีกว่ารถเก่งไหมรถเก่งกับรถตู้ไหนดีกว่าปวดตู้นะเอ้ารถตู้กับรถมอเตอร์ไซค์ไหนดีกว่ากันปวดตู้นะ อะไรไม่ดีสองอันนี้อะไรไม่ดีอะไรอะไรเร็วกว่ารถตูต้เร็วกวมอเตอร์ไซค์อีกเหรอมอเตอร์ไซค์จั ก, กรยานอันไหนดีกว่ากันอันไหนไม่ดีจั ก, กรยานนะเนี่ยเห็นไหมคือมันจะลดระดับกันลงมาลดลงมาถ้าเครื่องบินแ่ะกับรถตู้ไหนดีกวา่าเครื่องบินนะเครื่องบินนะ เมื่อวานคนมาให้ตั๋วเครื่องบินหลวงตาให้พาแม่ชีให้อะไรเลยขึ้นเครื่องกับวัดเขาส่งสารหลวงตาโอ้ยขอค่าน้ํามันรถก็บอดแล้วมัน <c oughs> <c oughs> กลัวแม่ชีเขาจะติดอกติดใจแล้วมันจะเคยตั๋วนั่งเครื่องบินไปสอนมันไม่ดี <c oughs> กับพระเนี่ยก็เลยว่าเอานั่งรถแหละกลับเอา ขี่รถกรับรถท่าพูดนี้พูดกำลังจะพูดถึงว่ามหาสติหรือปัญญาเนี่ยมันจะเหมือนเครื่องบินเนี่ยการรู้แจ้งมันวูบไปไปเปนี่มันไวมันรู้แจ้งเนี่ยถ้าลดต่ำลงมาเัื่อจะเป็นเหมือนรถตู้ของพวกเธอ น, นั่นแหละแล้วก็มารถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานในนี้ไอรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ค่อยทันมันช้าเนี่ย เ, ยเหมือนจักรยานเนี่ยขี่ช้า มันคิดแว บ, บไปตั้งนานแล้วมันพึ่งรู้มันไม่ทันความคิดมันช้าเรายังไม่มีปัญญาญานเนี่ยนีมันมีระดับจักรยานเนี่ยเนี่ยปัญญาสติปัญญาอะไรเนี่ยอย่างง่วงนะนี่ลอนตาเอาไฟฉายมาแล้วนี่น ใ, นใครง่วงเนี่นี่ยน้าจีเต้องช่วยมันเต็มที่น้ำมาเนี่ต้องคุ้มค่าล่ะแต่มันหาว่ารบกวนกูยังไงไม่ใช่รบกวนนะนี่ตั้งใจอสอนนะเนี่ย ตั้งใจช่วยต้องฝึกสติให้เร็วๆสติเนี่ยมันจะเรียกว่าสาระติแปลว่าแล่นเร็วสติในความสาระในความแล่นแล่นไวแล่นไวแล่นให้ทันความคิดเนะ่ยคนไหนมีสติแล่นทันความคิดได้ไนั่นแหละเขคนมีสติไม่ใช่สตินี่นิ่งๆอยูไม่ใช่กิเลสมันเกิดที่ไหนเกิดที่ความคิดมันต้องทันความคิดตลอด ทีแรกมันไม่ค่อยทันแล้วก็ทันกับกายก่อนลึกรู้ขาไส้ขาควายกมือไส้มือควายสติมันทันไหมมันคล่องตัวไหมมันเป็นว่าสีใช่ไหมแล้วลึกรู้เนี่ยมันเร็วไหมเคลื่อนไหวไปมานี่มันหลุดไหมแต่ถ้าเคลื่อนไหวนี่นี่หน่อยยังหลุดอยู่เนี่โอ้ยมันไม่ทันความคิดหลอกคุณจะพัฒนาเป็นยานอวกาศกับเขานี่มันคงไม่เป็นน่ะนี่นางลืมตาขึ้นมันมาใหม่ด้วยจตาหวานอย่างนี้ ลืมตาก็กว้างมองไกลๆหายใจยาวๆทำตาหลึกเหลือกกอกลูกตากลับไปใหม่นะคือมันไม่ยากอะไรหรอกแก้ง่วงเนี่ยลองตาดูไม่ยากอะไรแต่มันก็ยากสำหรับคนโง่นะคนโง่เนี่มันจะยากลุงตาเห็นเด็กที่วัดนะมันคิดได้ยังไงไม่รู้มันเอาไมา้เนี่นทำเดินจุ ก, กมณ์นะ คำสองลูกตาลงงตาไม่ยังไม่คิดออกป่านนั้นแต่มันเอาไม้คำไว้ตาลุงตาครับกิเลสผมหมดแล้วเหลือแต่ความห่วงตัวห่วงแก่ไปเลยมันกิเลสหนุยหนักมากลุงตาเขาเลยนอนซะลุงตาวา่เพราะเห็นมันพยายามมากมันคำไมก็เดินก็หลับอยู่นอนซะนอนซะว่ะเกิดมันลมฟ้าดลงนต้นไม้มันจะแทงตาเอานอนซะหน่อย พอมันไปนอนมันก็ไม่หลับมันว่าทําไมมันไม่หลับนอนไม่หลับพอมาเดินมันก็จะหลับนี่แหละเขาเรียกว่ากิเลศล่ะเธอลองสู้คนดูดิสู้มันจักตั้งดูดิมาใกล้ๆเอาหัวมานะเป่ามนให้ก็เอาหัวมาแล้วก็มันก็ตกใจแต่ดีนึกว่าจะอะไรใส่มันเวลามันไปเดินมันก็ตื่นตัวมันก็ไม่ง่วงเอามันเองนี่และว่าจะได้น้ำมนต์ที่ไหนได้ไม่รู้อะไร่ คือจิตคนเนี่ยมันทำํำอะไรให้ตกใจนิดหน่อยมันก็าหายหรอกนะฮรองด่ามาันดิอีเปดเนี่ยหลับได้หลับดีมันก็จะตื่นขึ้นมาดีอะจิตมันมันนิดเดียวเองแหะแต่เราไม่ตื่นตัวเฉยเฉยมันมีอะไรนิดเดียวนิดนิดนิหน่อยที่อยู่ในใจเราเนี่ยนะตั้งใจนะจ๊ะบอกมาะนะออย่าหลับนะจ๊ะอย่าโยมโอ้ยมันไม่อยู่หรอกถ้าพูดหวานขนาดนี้นี่มันไม่อยู่มันไม่ได้จะหลับเพิ่มเท่านั้นแหละ ถ้าอยู่วิสานเขาเอา้า <c oughs> รับแม่มาถึงจิตตายตีถ้าอย่างงี้มันพอจะตื่นหน่อยรับหาสวรรค์วิมานอะไรอยมันตื่นตัวโยมแต่บางคนก็บอกเออก็ช่างเถอะแล้วแต่คนไหนที่ตื่นเขาก็พาคนนี้ไปแต่คนที่ไม่ตื่นก็าเขาไม่สนเนะ่ะทิ้งมันไปเลยหลวงตาก็คิดว่าโอ๊ยเขาก็ตั้งใจนเนาะก็าก็จะตื่นได้อยู่หรอกช่วยเขาหน่อยเถอะมีแต่เวลาปุกน ม, กมนบากมันก็งุนหิดนะบางนีนี่ บางคนเพิเผยนะมีลีลาต่างหากนั่งสมาธิฟังโอ้ยเราก็รู้อยู่ว่าจะไปเกิดพบไหนนี่วิมานชั้นไหนนี่ก็ดูออกลนะฉันพยายามตื่นตัวเอาเธอเห็นนกกระจอกทองไหมนี่เนี่ยนี่อยู่ที่ต้นนะเนี่ยไม่ใช่นกกระจอกเทศนะไม่ใช่นกกระจอกบ้านเรานกกระจอกทองนกกระจอกนกกระจับแล้วที่มันเป็นรังที่ยาวๆลงมาเลี่ยนะมันเป็นพวงเหมือนรังพึ่งนะ่ยนะ ในตัวมันรองเลยพอเดีเช้ชาไปดูมันทามันพอมันปุ๊บมันเอาย้าขึ้นไปปุ๊บมันก็สอดเข้าไปในนี่สารไปนี่จับดึงทัวนี้ถักๆไปถักมาเนี่ยมันทามันมีอยู่แปดลังในต้นมันนี่ริมน้ำนี่นะตื่นตึกลูกเช้านกอันนี้น่าเอาเป็นตัวเยี่ยงอย่างนะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่เท่านกกระจอกตื่นมาก็ยังว่วงอยู่นี่ ขนาดมันมาช่วยเทศนั่นนีนะ่ฟังออกไหมอีปอบทตไม่หลับจังรถนะตาฟังออกนะนี่ตั้งอกตั้งใจนะมนคาคนที่ห้องหลอกด่ากูนะนี่ยมันรู้อีกนะตื่นขึ้นเถอะนะมันไม่มีอะไรหรอกนี่จะตีห้าแล้วเนี่ยเนี่ยตีห้ากว่าแล้วเนี่ยจะหกโมงแล้ว ได้เวลาแดกแล้ว <c oughs> หลับได้หลับดีนะถ้าไปอยู่สํานักหลับก็แย่แหละลําบากดูดีๆนะปฏิบัติธรรมเนี่ยสังเกตดูว่าเ อ, อความปรุงแต่งเนี่ยเกิดจากความไม่รู้แจ้งนะเรามาปฏิบัติธรรมี่เราทําให้มันรู้แจ้งอ่ะเนี่ยพยายามที่จะเลื่ลึกรู้เลืลึกรู้อยู่นี่แหละเลื่ลึกรู้ดูตรงที่เหตุมานี่แหละมันคิดมากก็รู้ทันที มันว่างมาก้รู้แต่ดีรู้ตรงนี้รู้ตรงเหตุมันเนี่ยเหตุเกิดทุกข์ก็คืออยู่ตรงนี้ทีนี้จะให้มันมันมาตรฐานจริงๆคือมันต้องรู้แจ้งตรงเหตุมาเนี่ยนะต้องเกิดวิชาวิชาวิชาวิชาจารณะสัมปันโนนะถึงพร้อมด้วยวิชาคือความรู้แจ้งอันนี้นะฮเรารู้แจ้งนี้เราจะดับทุกข์ตัวนี้ดับทุกข์ในอดีตได้เนี่ยมันจะเหลือแต่อนาคตมันไม่เท่าไหร่หรอกอันต่อไปเนี่ยพอเรารู้ทางแล้วน่ยมันจะง่ายๆ อันดับแรกคือต้องเกิดอันนี้ขึ้นมาก่อนคือได้ดวงตาเห็นธรมซะก่อนนะ่ยอวิชามันทาให้เกิดสังขารให้เกิดการปรุงแต่งสังขารก็ปรุงแต่งดีก็เรียกว่าปุญญาพิสังขารปรุงแต่งไม่ดีก็เป็นอปุญญาภิสังขารคือมันคิดดีกับคิดไม่ดี น, นั่นเองบางทีก็มันไม่ใช่คิดดีคิดไม่ดีแต่มันติดอยู่ในสมาธิมไม่ใช่คิดอันนี้แต่มันนิ่งเขาเรียกว่าอาเนยชาสังขารคือความไม่หวั่นไหวคือความนิ่ง อันนี้ก็เป็นสังขารนะเนี่ยสังขารมีที่ไหนมันด้มีการเตื่แตกดับที่นั่นเพราะสังขารนี้มันเป็นเป็นอ น, นิจจงนะมันตกภายใต้กฎไตรับมันอ น, นิจจงมันไม่เที่ยงปฏิบัติธรรมนี้เราเราไมไ่ให้มันเป็นสังขารอะนี้แต่ให้มันเป็นวิสังขารคือจะอยู่เหนืออันนี้คือคิดดีก็ไม่เอาคิดชั่วกว็ไม่เอาติดสมาธิเราก็ไม่เอาให้รู้เฉยเฉยนี้รู้เฉยเฉยเห็นเฉยเฉยอ่ะไม่ให้มันนิ่งไม่ให้มันดิง่งรู้เฉยเฉยมันคิดก็รู้มันไม่คิดก็รู้ ถ้ามันมีสังขารมากขึ้นมันก็จะเป็นเป็นตัญหานะตัญหาเราสังเกตดูดีคนเราต้องพู้ดีแง่หมุมหนึ่งก็คือวคาเราทุกพ่ออะไรเพ่อผู้พาะขันห้าขันห้าก็คือรูปเราติดในรูปเราอะรูปรูปของความคิดความคิดมันแวบขึ้นมาเนี่ยสังเกตไหมพอมันแวบขึ้นมาเราฆ่ามันเลดีเลยความคิดเนี่ยสลายมันสลายความคิดสลายรูปเนี่ยนี่เขาเรียกว่านามกาย มันแว บ, บขึ้นมาให้มันเหลือแต่ธรรมากายคือมันแว บ, บขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่ใช่สภาวะของจิตที่มันรู้ตัวล้วนๆเนี่ยพราะมันคิดปุ๊บขึ้นมาฆ่าทิ้งความคิดเนี่ยฆ่าความคิดทิ้งเวลามาคิดคิดขึ้นมาฆ่าทิ้งคิดขึ้นมาฆ่าทิ้งแต่ถ้าสติไม่พอเนี่ยไปคุมฆ่าความคิดอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้มันจะมึนหัวะจะแน่นเมื่อยเบื่อไม่มีความก้าวหน้าปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ให้ไปฆ่าความคิดนะ พูดในแง่หนึ่งนะคือให้รู้เฉยๆมันคิดมาก็รู้เฉยๆแต่ว่าถ้าสติมันพอมันจะฆ่าเขาเองโดยธรรมชาติเอ้าทำไมมันดับได้อ่ะรู้สึกตัวเฉยๆกระพริบตาเฉยๆเนี่ยนั่งดูเฉยๆพอมันคิดขึ้นมาหายใจเฉยๆดับแล้วพอมันคิดขึ้นมากระพริบตาดับแล้วนีมันดับไปเองโดยธรรมชาติเลยอ่ะมันไม่ได้ทําอะไรมันเพียงแต่ว่าตัวรู้เราเยอะๆหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าทําเหมือนแมว แมวคือสติเลี้ยงอาหารแมวเยอะๆเยอๆยมากๆขึ้นมากขึ้นแล้วหนูมันจะวิ่งหนีเองในบ้านเราน่ะนะพระพิธธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้แมวมันผอมอ่ะสติมันน้อยความคิดมันเลยป่วนเปลี่ยนวันวันหนึ่งมันคิดเยอะแยะเลยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก็ไม่ปรากฏว่าความคิดหายไปมันทีเราทุกข์เพราะความคิดที่มันมาเดินเพลิดเนนี้เพราะสติมันไม่ทํางานไงสติมันอ่อนกําลังสติมันน้อย เนื่องจที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอื่นนะมาเพิ่มกําลังของสติกําลังของการเรียนลึกรู้เนี่ยทําให้มันต่อเนื่องให้มันตั้งมั่นให้ได้ไม่มันหวั่นไหวไม่ให้มันลุดประคองให้มันต่อเนื่องให้ได้มากขึ้นมากขึ้นมาขึ้นก็เอารูปอะไรที่มันพูดออกมาดับพูดออกมาดับเขาเรียกว่านามมารูปความคิดเนี่ยดับตัวนามมารูปเนี่ยพ่นนามมันทําให้เป็นรูปไม่ใช่รูปทําให้เป็นนามนะ ความคิดมันทําให้เกิดตัวตนความรักเลยทําให้เกิดคนขึ้นมาความคิดเนี่ยทําให้เกิดความโกรธความเกลียดเกิดพฤติกรรมทางกายขึ้นมาท่านพอมันแวบขึ้นมากะขามันแวบขึ้นมากะขามันนี่พุทโธทุกขัสคาตาจะวิทาตาจะยิตัสเมเคยสวดไหมพุทธเป็นเครื่องฆ่าทุกขธรรมโอทุกขัสคาตาจะสังโฆทุกขัสคาพุทธธรรมะสังฆะนี่ เป็นสภาวะธรรมสำหรับฆ่าความคิดฆ่าทุกเป็นเครื่องกาจัดทุกและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้านะพุทธะสังนิยเทมิสริรัชีวิตันทีทังข้าพเจ้าเป็นภาของพุทธะคือข้าพเจ้าจิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวรู้ตัวรู้เนี่ยมันมีอิสระเป็นนายพุทธะสหัสมีสามีพาสว เป็นนายมีอิสระตัวรู้มันอินสระของมันนะแต่ตัวคิดมันไม่อิสระนะถ้าเป็นตกเป็นาตของความคิดความคิดมันจะล่าจูงไปแต่ถ้าตกเป็นทาตของภาฒภาวะของสติตัวรู้เนี่ยมันจะเฉยเฉยใจเราจะสบายสบายเราจะเป็นทาษของอะไรละ่ะทาตพุทธะหรือทาษของโทสะโมหะราคะไม่ใช่เป็นทาตของพระพุทธเจ้านะแต่เป็นทาตของพุทธสภาวะ ธาตุของตัวรู้ธาตุของสติเนี่ยจิตเราเนี่ยต้องอยู่กับตัวนี้วันวันหนึ่งเนี่ยเวลาไปรอรถอยู่ในป้ายรถเมลนะ์มันนานมานะจริงรถขอความตายที่น่นนะฮะหรือบางทีก็เกิดปรากฏการณ์บุเทีนถวายไล่ฟันปทุมวันอยู่บนรถแต่เราก็คิดอฮ้ยทำอะไรอยู่ป่านนี้ยังไม่มาอีกกูจะทันทํางานไหมเนี่ยเฮ้ยกระวนกระวายอย่างคนนี้ไม่รู้เขาค่ากันตายอยู่นละ้ว จิตแต่มันคิดไปแล้วนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแบบนี้โอ้จิตมันขึ้นมาแบบนี้เนาะมันจะเป็นตันหานียมันทําให้เราเป็นทุกข์นะเนี่ยความคิดนี่เราเห็นมันเราก็ดับมันซะสติเราทํางานดับความคิดนั้นดับว่ารถมากะมามาไม่มากะไม่มาแต่ใจเราไม่ทุกข์น่ะมันไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีอะไรมาทําร้ายใจเราเราอยู่ก็เหตุปัจจัยขึ้นมันมาแล้วก็ไปมันไม่มากแล้วไปประมาณนี้ครั้งก่อนไปเชียงรายไปกับจันหมอนี่แหละ ขับรถไปตั้งแต่เ ม, มืองเลยไปจนถึงอะไรอ่ะตั้งแต่เ ม, มืองเลยไปถึงผู้เรือไปถึงด่านทรายถึงอะไรเนี่ยขึ้นภูเขาไปพเพลินว่าลืมเติมน้ํามันไปกลางคืนเขาปิดปัมนะ๊มกลางคืนเนะี่ยเขากลัวคนป้นนะ่ะบนภูเขากลางคืนเขาปิดมันก็จะหมดอยู่เรื่อยได้วิ่งเบาๆลงเบาๆไปเรื่อย ไปเห็นปั๊มนั่นค่ะอา้าทำไมไม่เปิดปั๊มนี่รู้จากเราบอกกู ม, มีเงินนะนก็ไม่ได้นะใช่ไหมเป็นทุกข์ตายเลยนะเนี่ยาเรื่องเขาไม่เปิดก็คือเรื่องเขาไม่เปิดนะรู้หรือเปล่ากูจะเดินทางไกลแล้วเปิดไอ้พวกขี้บาปลุกออกมาไม่ได้ไปกันนั่งรถหากินกาแฟคาปูชิโน่ไปทำเรื่องโ น, นนี่ชานกแก้วชาอะไรเี ทำอย่างอื่นไปได้ใจมันสบายอย่าให้มันโกรธอย่าให้มันหงรดหยิหดยอย่าให้มันอะไรเอา้าถ้ามันไม่ทันล่ะไม่ทันก็ไม่เป็นไรรถตายตอนไหนก็จอดอยู่ตามปั๊มตามอะไรนะก็สบายอ่ะมันไม่มีน้ํามันก็คือไม่มีน้ํามันก็ไม่เป็นไรอ่แต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจโอ้อย่างโ น, น่นอย่างนี้เราจะกะวนกระวายขึ้นมาคือความคิดมันทําร้ายเราเองแล้วเราไปวางเงื่อนไขกับคนอื่น สบายเราไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันชีวิต เ, เรากลับไปอยู่บ้านมีลูกมีหลานมันเป็นเรื่อนี้หรือที่ทํางานเขาไม่ทําให้ไม่พอใจอย่าไปคิดอะไรกับเขานะเพราะว่าขันห้าของเขาเนี่ยเขาก็ควบคุมไม่เป็นเขาก็มีความอยาดมีกิเลสมีตัณหาอยู่รูปเขาก็เป็นเแบบนนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเป็นแบบนั้นเราเป็นเจ้านายจะมีหนะ้าที่ควบคุมเขาก็ยังคุมไม่ได้นะคุมได้แต่ระเบียบข้างนอกนะแต่ควบคุมพฤติกรรมทางจิตเขาได้ไ ม, ไม่ได้ ท่าเราเขาควบคุมใจเราไม่ให้เป็นทุกข์นี่พอได้อ mm hmm. ลูกกูเ น, นี่ยนี่ลูกกูเนี่ยนี่ลูกกูใหญ่มาเป็นเนี่ยมาเป็นลูกนะลูกลูกที่เกิดจากการสอนเมื่อไหร่ที่สอนแล้วมันเกิดการรู้แจ้งเนะี่ยพระพุทธเจ้า ว, า, า, ว า, า, ว า, าว่าโอ้บุตรของเราพูะพุทธเ้าเรียกบุตรของเราบุตรของเราตถาคตได้คลอดแล้วคลอดจากปากพระพุทธเจ้าบุตรที่คลอดจากปากพระพุทธเจ้าคือท่านสอนเนี่ยเขาเรียก ว, ว่าลูกอะไรลูกศิษย์นี ลูกศิษย์คือลูกที่เกิดจากการสอ น, สอนเกิดการรู้แจ้งเกิดปัญญาที่เกิดจากการสอนเป็นลูกศิษย์แต่ถ้าสอนแล้วมันไม่เกิดปัญญาท่านก็ไม่เรียกว่าลูกแต่ถ้าเรากลับไปบ้านนะไปเห็นลูกเราป่านี้มึงไม่เติร์นแล้วลูกกูเนี่ยไม่ได้หรอก ค, คนละคนนะคือมันก็เป็นความคิดของมันมันก็เกิดภายใต้ภาวะของวุฒิภาวะ่ว่ า, ววาวเอ้ยนอนการนอนคือการพักผ่อนที่ดีนี กูยังไม่ได้หกชั่วโมงเลยเนี่ยกูนอนตีสองนะ่ะเพิ่งกลับมาจากเที่ยวเองพ่อกูทําไมเป็นนี้วะแม่กูทําไมมันมีความคิดของมันเป็นแบบนั้นนะ่ะสิ่งที่สําคัญคือเราทําให้มันเกิดปัญญาจะไปบังคับมันตอนนั้นเนระิ่มตาโยมเริ่มตาง่ <c oughs> วงอยู่เนาะเอาเดี๋ยววันเช้า ว, วันนี้มีอยู่สี่คนนะเดี๋ยวจะให้ยึดยืนขึ้นแล้วให้เดินมาให้เราลูบหน้าทุกคน แล้วก็จะหายลนะเนี่ยสมัยเรียนหนังสือล้มตาอยู่ประถมปหนึ่งปอสองก็เหมือนกันนะ่ะตอบคําถามอะไรไม่ได้ครูให้ผู้หญิงรูปหน้าจําหน้าตา ม, มึงพักเที่ยงกุจะไปกระทืบมึงรูปหน้ากูเนี่ยมันไม่ได้ยอมนะจิตเนี่ยแล้วก็พยายามตอบให้ได้อ่านหนังสือเตรียมตัวมาอย่างดีเพราะวันต่อบไปคุณจะต้องรูปหน้ามึงคืนให้ได้ประมาณอันนี้ก็เหมือนกันแหละโ ย, ยมเอ้ยลืมตากว้างๆมองไกลๆอย่าให้พระต้องให้คนรูปหน้า บางคนโอ้มาปฏิบัติเข่งจังเนาะลงโทษตั้งหางอีกก็ยังไม่ได้ลงหรอกเนี่ยบอกหน่อยเดี๋ยวมันก็ตื่นตัวละฮะสังเกตดูในตัวเราเองเนี่ยรูปเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก็เหตุมันเฉยสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้ยมันเกิดมันดับยังไงดูมันแล้วเราจะเห็นว่าเอา้เอาอวิชามันก็ไม่ได้เกิดฮะอันตัวสังขารไม่เกิดตัวตั้งหามันก็ไม่มี นะวิญญาณก็คือการรับรู้ทางอารมณ์รับรู้รับรู้ทางตาแล้วมาปรุงแต่งรับรู้ทางหูปรุงแต่งนะฮะจมูกลินกายใจแล้วมันปรุงแต่งเนี่ยมันยังไม่ได้ปรุงแต่งมันรู้ที่เฉยแมันก็ดับแล้วเราดับตัววิญญาณนะั่นแหะไม่ให้มันทํางานต่อไปนะพอมันเลย่ลลึกรู้ก็ดับมันเลย่ลลึกรู้ก็ดับมันก็ธรรมดาก็าเป็นธรรมชาติอันไรจะคิดก็วิญญาณตัวนี้เราก็ควบคุมมีสติควบคุมเนี่ยนะนะ วิญญาณสัมปยุตตังรูปารมณังวิญญาณเราเวลารับรู้เนี่ยให้มีตัวสติมาสัมปยุตคือประกอบด้วยสติรู้เท่าทันความคิดมันคิดนะเนี่ยมันรู้นะเนี่ยทางตาทางหูกระทบนะเนี่ยยให้มันปรุงแต่นะงและให้มันเป็นรักเป็นชังนะถ้าเราสติยังไม่ดีเนี่ยเราจะต้องเลยคอยควบคุมมันอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราตั้งใจฝึกเข้าเป็นคอร์สอย่างเงี้ยฝึกตั้งใจจริงสักเจวันเนี่ยให้มันเกิดปีติเกิดชื่นเกิดการรู้แจ้งนะเนี่ย พอมันเป็นอันนั้นปุ๊บเราไม่ต้องควบคุมมาเลยมันจะเป็นธรรมชาติอันนี้เฮ้ยเราไม่ค่อยคิดอะไรนะเดี๋ยวนี้ดูอะไรเห็นอะไรก็เฉยเฉยในใจสบายเมื่อก่อนเห็นอะไรก็ไม่ได้ขี่รถผ่านกลางทางซื้อซื้อซื้อซื้อใชไหมเห็นห้างก็ไม่ได้เข้าห้างเนี่ยมันต้องเข้าไปอ่ะต้องได้ซื้อสักเล็ก้อยน ะ, นะมันต้องซื้อเน่ะแต่พอปฏิบัติทำเฮ้ทําไมไม่อยากซื้อวะมันจะเป็นแบบนั้นขึ้นมาโดยธรรมชาติเลย เสื้อผ้าก็เหมือนกันนะไม่มีอะไรสวยอะไรงามอ่ะมันเป็นแค่รูปเฉยๆมันมันจะเป็นธรรมชาติคือปัญญามันจะมันจะเป็นแบบสําเร็จรูปของมันเองนะมันเป็นแบบแคปซูลมาให้กินแบบสําเร็จเลยธรรมะเนี่ยนะเพียงแต่ว่าขอให้ทําตัวสติเนี่ยทําแคปซูลอัดเม็ดซะสติเนี่ยแล้วก็บริโภคแล้วก็สบายแหละใจมันจะสบายสบายมันก็จะไม่มีอะไรแต่อันดับแรกนึ ง, งหมายความว่าต้องทําตัววิชาคือรู้สึกตัวเนี่ ตัวรู้สึกตัวเนี่ย ม, มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะรู้สึกเป็นการรู้แจ้งเลยอ่ะต้องจับให้รู้แจ้งอยู่กับกายนะอยู่กับขาอยู่กับตีนอยู่กับมือนี่เดินไปเดินมาไม่รู้สึกเนี่ยพวกเธอนี่ก็จะรู้แจ้งทุกคนนะลงตาว่าแต่บางคนอาจจะไม่รู้แจ้งดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้นะมันจะแจ้งแล้วเนี่ยไม่รู้หรอกรู้ได้ไหมพวกเธอเคยเห็นไหมดวงอาทิตย์ขึ้นมันเป็นรูปยังไงเอ๋อสีอะไรดวงอาทิตย์เนี่ยฮะ อาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแต่มันอยู่บนสี่โมงห้าโมงแล้วะเนี่ยมันจะกลมๆหลอกแดงๆเวลามันจะขึ้นในดวงอาทิตย์นะพวกในเมืองอาจจะไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแต่แต่ว้านนอกเขาตื่นถึงลุกเช้าเขาเห็นดวงอาทิตย์เธออาจจะรู้แจ้งรู้แต่ดวงอาทิตย์ขึ้นแต่ไม่รู้แจ้งในใจบางทีแล้วก็ต้องสังเกตดูสังเกตดูมันดูใจเราเนี่ย มันเป็นยังไงสังเกตดูมันเป็นเวทนาเป็นยังไงมันเป็นสัญญาเออสัญญาเจอเก่าเก่าความจําเลยนั่น嘛ในลักษณะเวลาเราเกิดปัญญาแล้วเนี่ยสติมันมากขึ้นแล้วเนี่ยสัญญาความจําจําอะไรนี่แต่ว่ามันจะไม่มีอุปท า, านอนะ่ะอุปท า, านว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าอุปท า, านในขันห้าเป็นทุกอุปท า, านในขันห้าเนี่ยเป็นทุกแต่พอเกิดปัญญาเข้าใจแล้วเนี่ย ขันห้ามันจะบริสุทนะธิ์เนี่ยเวทนาสัญญาจําจําก็ธรรมดาเคยเกลียดใครชังใครอ่ะอาฆาดเครียดแคนพยาบาทเมื่เขาเดินผ่านมาก็ธรรมชาติแต่ก่อนมันจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าขิวเน่ะเฮ้ยกูไม่ชอบท่าทางไอ้นี่เหลือเกินเนาะถ้าแต่เห็นหน้าเห็นตานเนาะเบื่อหนายกูมไม่ชอบในวันนี้มันจะไม่เป็ี่ยนนะนะมันจะเป็นธรรมดาธรรมชาติเลยถ้าฉั้นเขาไม่เรียกว่าดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนะคาสอนพระพุทธเจ้าเนี่ย สังขารปรุงแต่งชอบปรุงแต่งมันก็ไม่ปรุงแต่งถ้าอยู่ปัจจุบันเป็นนั้นรูปเบญนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี่ขอให้รู้สึกตัวไว้ก่อนก็ตักไปก่อนนะเวลาคิดปุ๊บก็รู้สึกตัวมันไม่คิดละ่ะมันไม่คิดก็รู้สึกไว้ขณะที่เธอเดินจวกลมไหนะช่วงไหนที่มันไม่คิดเธอจะไปคิดหาให้รู้สึกตัวไปเรื่อยเดินไปแล้วรู้สึกไปเรื่อยตอนนั้นแหละเธอจะได้สติเยอะๆ รู้สึกตัวมากขึ้นมาขึ้นมาขึ้นนาทีมันแวบออกมาพอมันแวบมาสติที่เราฝึกมากๆเหมือนกำปั้นที่มันหนักแล้วเนี่ยมันจะพัวกกันนาทีเนี่ยแล้วมันจะสลบไปเลยความคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ตอนนี้มันไม่คิดแล้วก็มาเสวยสุขติดความสุขอยู่ไม่ได้ต้องรู้สึกตัวมากๆตอนนั้นแหละที่เธอจะได้สติตอนมันคิดล่ะตอนมันคิดก็ตัดความคิดออกบ้างถ้าตัดออกแล้วมันไม่อัดมันไม่ออกเนี่ยเราก็รู้สึกไปเรื่อย รู้สึกอยู่กับปัจจุบันนี้เรื่อยๆเอามันมันไม่ออกเลยรู้สึกตัวคือถอนถอนความคิดในนั่นมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวจิตแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวมันก็วางกันเองมือนี่มันมีอันเดียวกันเนี่ยจับอันนี้ปุ๊บมันก็จับอันนี้ไม่ได้ถ้าจับอันนี้มันจับแก้วก็ไม่ได้จิตเหมือนกันน่ะถ้ามันมาจับความคิดมันก็ไม่รู้สึกตัวถ้ามันมาจับความรู้สึกตัวมันก็วางความคิดนั่นเองทีนี้ จับให้มันเยอะๆไอความรู้สึกตัวเนี่ยจับตัวรู้นี่จับเยอะๆนยรู้จักตัวรู้ไหมตัวรู้นี่คือรู้สึกเนี่ยเป็นความรู้สึกนี่เนี่ยรู้สึกนี่รู้สึกให้มันรู้สึกอยู่บ่อยๆเนี่ยให้มันต่อเนื่องภาวนาภาวนาแปลว่ารู้สึกภนาวิตาทำให้มันเจริญเติบโตขึ้นให้มันต่อเนื่องพ่อหงูรีทาให้มันต่อเนื่อง พระอง์ลีพระอง์ลีกตาทํามากมา่าสังวัตตันติทําจนมันถึงเราเคยเห็นนะเนี่ยชมรมแพทย์เขาสวดมนต์ที่ร้านพระบระมรูปทรงมาวันพุธหรือวันศุกรนะ์เขาสวดประจําโพรดชังโคสติสั่งขา้าในหลวงป่วยก็เหมือนกันนะเขาจะสวดเนี่ยโพรดชังโคสติสั่งขา้าโตธรรมนานังวิเชโยตธาภิริยามปตัมปิฏิปัสสติโปชังกาจะตธาปรเรสมาตุเปกะโปชังกา สตติเตเตสัพสินนามณินาสมตาตขะตาปวินาปุญญาตาสังวรตนติปิญญาใจติา ป, ปานายะสังวรตันติตูเหมือนขลังนะแต่ไม่รู้เรื่องนะโพชังโคทำเป็นองค์แห่งการตัดสรุ ค, คือคนป่วยไข่เนี่ยทางโลกนี่ป่วยกายแต่ทางธรรมนี่เขาเรียกป่วยใจนั้นสวดมนต์อันนี้แล้วจะให้หายป่วยแต่จริงๆคือหายป่วยคือสิ้นทุกข์เลยนะ ไปกับหลับตื่นฟื้นมีหนีพ้นเลยชีวิตอันเนี้ยโพชังโกทำเป็นองค์แห่งการตัดสรุปโพชององคแห่งการตัดสรุปสติสังขาโตนี่เห็นไหมก็เริ่มจากสติธรรมวิจยะสติสังขาโตธรรมานังวิเโยตถาวิรยิยมปิฏิปัสสติโพชังกาเจตถาปเรสสมาสติธรรมะวิเยะวิรยิยปิติปัสสติสมาธิอุเบขาเนี่ยพวกเนี้ย ก็คือเจริญระลึกรู้อันนี้ไปเรื่อยๆเลยถ้าคนไหนเจริญอันนี้อยู่บ่อยๆแล้วส่วดให้ฟังแล้วเอาไปทําพอไปทําแล้วก็เกิดการรู้แจ้งรู้แจ้งก็ดับทุกเลยดับการเกิดการแก่การเจ็บการตายได้ด้วยไม่เกิดทุกข์อีกแล้วคําว่าเกิดนี่คือไม่เกิดทุกข์นะไม่ใช่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่นะเกิดทุกข์เนี่ยไอ้ทุกข์ที่มันจะเกิดมันแวบก็มาเกิดอยู่เรื่อยมันไม่เกิดไม่เกิดอีกและจิตมันไม่แก่อีกไม่เจ็บอีกไม่ตายมันไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายในจิต วันวันหนึ่งก็จะอยู่ความว่างๆนะมันไม่มีชราธรรมปรากฏให้เห็นเนี่ยในใจเราเนี่ยมันจะผ่องใสให้เราก็สังเกตดูดิใจเราเป็นยังไงวันวันหนึ่งมีมากไหมอุปทานเนี่ยมันเยอะไหมอุปทานในรูปในรสในกลิ่นในเสียงเนี่ยมันมีเนี่ยให้เห็นมันเวลามันติดอารมณ์ในกลางคืนเวลาเราคิดอะไรมันแวบขึ้นมาเนี่ยลุกขึ้นเดินจุกลมเลยทําความเพี่ยนไปยาก ตั้งใจและเลือกดูมันเฉยๆเนี่ยอย่าไปยึดมั่นหรือมั่นมันทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏเกิดขึ้นมันเกิดเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยปรากฏการของกิเลสกับธรรมะท่านเองธรรมารม์อารมณ์ฝ่ายธรรมะเกิดขึ้นมีบางไม่มีมีแต่อารมณ์ฝ่ายกิเลสทั้งนั้นเลยเกิดในใจเรานั่นการเลึกรู้เอาไว้แม่เห็นอยู่บ่อยๆบ่อยๆมีโยมคนหนึ่งเน่ยสอนพุทธการสมัยหนึ่งพุทธิยถาท่านเสด็จไปที่ราชครึก แล้วเข้าไปในส่วนไปในบ้านของนายช่างหม้อช่างปั้นหม้อนะ่ะลูกชายของนายปั้นหม้อช่างปั้นหม้อนะ่ะแกเคยได้ยินเรื่องของพระพุทธเจ้าก็เรื่องใสอ่ะมีคนมาซื้อหม้อแล้วเขาก็จะพูดเรื่องอิทธาตถ า, าคตโลเกโอปัโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ตถาคตเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะถ้าแต่เกิดมายังไม่เคยได้ยินนะ ว, ว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี้ย แกนั่งฟังฟังคนคุยกับพ่อแกคนเข้าไปเนี่ยเขาจะคุยกับพ่อเขามีบุตรยาเกิดขึ้นแล้วเนาะดับทุกได้นะไม่ทุกเลยนะเป็นเจ้าชายนะสิทธะไปปฏิบัติทําแล้วรู้แจ้งไม่ทุกเลยทรัพสมบัติเนี่ยมีเป็นเท่าไหร่ไม่สนเลยนหละไปอยู่ในป่าแค่บินทบาทกินก็ไม่ทุกแล้วตาตายมีอย่างนั้นด้วยหรือ แกอยู่กับพ่อแกพ่อแกเป็นนายช่างปั้นหม้อทุกแต่ละวันนี่ต้องปั้นหม้อต้องขายหม้อต้องนั้นไปหาเงินหาทองแกแค่อยากมีบ้างอ่ะอยากมีอย่างที่เขาบอกว่าเจ้าอิจตทธาคาโตโรเกอุปโนูเ น, นี่ยือทําำยังไงอ่ะของที่มีแล้วไม่ทุกไม่มีสมบัติแต่ไม่ทุกเนี่ยเขาเบื่อที่จะดูแลหม้อปั้นหม้อหาดินหาอะไรแม่อยู่กับพ่อเนี่ยท่านอยู่ไหนตอนนั้นตอนนี้เขาเล่าไปโอ้อยู่เมืองโน้นเมืองนี้ เป็นยังไงบวชแล้วผมภาคกาสาวะไอ้หมอนีไปตลาดเลยไปตลาดาหาซื้อผ้าซื้อมายอมได้ยินว่าคนบวชอุทิศพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแบบโน้นแบบนี้นะมีสาบุกมีนึงแกไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าแกบวชเลยบวชเองซื้อผ้ามาแล้วก็ทิษฐานเข้าระเจ้าขออุทิศชีวิตนี่บวชต่อพระพุทธเจ้าบวชจนตาย จะปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าแต่ข้าพเจ้าอุทิศชีวิตพ่อไม่รู้เรื่องลูกขโมยบวชแต่ซื้อผ้ามาแล้วบวชเองแค่ได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะมีผู้ดับดับทุกเกิดขึ้นในโลกเนีนะ้เขาก็เลื่อมใสแล้วทีนี้บวชแล้วแค่เข้าไปอ่ะ วันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านมาท่านมาที่บ้านนี่แหละมาในบ้านช่างปันโมเขาได้ยินข่าวเขาก็้จาริกมาพระพุทธเจ้าก็เข้ามาแต่พระพุทธเจ้ามาคนเดียวนะท่านมาองค์เดียวเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่รู้นะเขาก็ห่มผ้าเหลืองเหมือนกันนะแต่เขาตั้งใจอุทิศกับพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านมาเพราะท่านรู้ภูมิจิตของคนเนี้ยะมันจะบรรลุธรรม พาบท่านก็มาพอมาปุ๊บเขาก็เข้าไปกราบเขาก็ปฏิบัติมาเป็นปีหลายปีนะคนเนี้ยนะเขาว่าเขาอุทิศบวชอุทิศ ต, ตนต่อพระพุทธเจ้านะเราไม่นับถือศาสนาไหนคือนักบวชเนี่ยที่ห่มผ้าเหลืองมันก็มีเยอะแยะในเสียงพุทธการเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่ศาสนาพุทธมันมีหลายละัที่หลายนิยายโกนผมเหมือนกันอะไรเหมือนกันน่ะ นั้นพระพุทธเจ้าสเสด็จมาเนี่ยเขาก็มองไม่ออกว่าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยซ้าไปเพราะไม่ได้มีแสงออกในหัวเมือนในรูปนะพระพเจ้ามาถ้าแสงเออ เ, อ, อ, เ อ, อมาเนี่ยก็ ย, ยังชั่วเนี่นี่มันไม่มีมาปุ๊บท่านก็พูดเนี่ยใหถามว่าธรรมะของท่านน่ะนักบวชหนุ่มเนี่ยถามธรรมะของท่านมีอะไรบ้างกล่าวให้เราฟังบ้าง ของเรานะักบวชต่อพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นนักบวชนี่กายไหนเล่าให้เราฟังดูดิพระพุทธเจ้าท่านกรีฑ์ให้ฟังโดยท่านไม่บอกเราเนี่แหละคือพระพุทธเจ้าท่านไม่พูดนะั่นท่านก็พูดพูดถึงเรื่องการแยกาธาตุในฟังคนเนี่ยมันบวชนานบวชปีสองปีแล้ะกรรมฐานมันจะแข็งสมาธิมันจะดีนะแต่มันยังไม่รู้แจ้งนั่นเองท่า น, น, านจะพูดเรื่อง เรื่องธาตุนะไม่ใช่พูดเรื่องขันเมื่อกี้นะพูดเรื่องธาตุธาตุคนเรามีธาตุมีกี่ธาตุจีธาตุแล้ววันนั้นท่านเทศเรื่องธาตุหกเทศหกธาตุแล้วก็ขยับมาเทศสิบแปดธาตุธาตุหกธาตุสิบแปดคืออารมณ์พิปสนานี้อเรียนรู้เรื่องขันธาต เรียนรู ท, า 4, ทาา่ า, า, ร 12, ราสี 4, ฤษฤษษษษ่ท่าหกอายตะัยสิบสองอริยสัจสี่ปฏิสูบาทท่าสิบแปด 18, พวกนี้นะเรียยิบสองอริยสัจสี่วันนันท่านเทศเรื่องท่าหกท่านว่าชีวิตมันไม่มีอะไรชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วอย่าไปสําคัญมันหมายอะไรมันเลยคนเราก็มีแค่ส่วนประกอบอยู่ใหญ่ๆอยู่หกแบบหกชนิด เรารวมเรียกว่าธาตุคือชีวิตมันประกอบไปด้วยกองหกกองอะหกธาตุอยู่ในเราเนี่ยธาตุนี่นะหนึ่งก็กองดินดินประกอบมันเหมือนดินเนี่ยแข็งแข็งบนดิ น, เ, นเรียกว่าธาตุดินมันก็มีน้ำที่ประกอบเข้ามีไฟไฟก็ความอบอุ่นในร่างกายถ้ามันไม่พอในตายนะอย่างเรานี่นั่งอยู่ในนี้นี่ได้ผสมธาตุตลอดนะ แล้อย่าคิดเราเป็นผู้พิเศษนะนั่งอยู่นี่มันอบอา้าวก็ต้องเติมธาตุลมอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเมื่คนก็อยู่อยากอยู่ใกล้พัดลมนะเพราะต้องเอาลมพัดตลอดนะถ้ามันร้อนมันร้อนข้างในพอร้อนข้างในมันจะบีบน้ํำออกมามันจะเหนียวอะมันมีธาตุน้ําไหลออกไนงะน้ำํำนะเวลาทุกข์มากๆเราโกรธแค้นเคียงชิงชังใครสักคนเนี่ย มันจะร้อนจากข้างในเห็นไหมเวลามันร้อนอมากๆแล้วนี่น้ําตาลจะออกมาน้ําตาลไหลถ้าได้ร้องให้สักบ้างนี่รู้สึกวดีขึ้นทีวิต เ, เนี่ยคือเอาธาตุล้างธาตุเนะี่ยคือผสมธาตุให้มันอยู่ในจังหวะที่มันพอดีเคยสังเกตไหมเป็นอย่างนวลน้องจึงมองเทนน้องเจ้อาอะไรมมันเพลงที่เขาร้องมันร้องไห้พอมันร้องให้ร้องให้ก็คือมันผสมธาตุในะที่จริงเนี่ย น้ำตามันไหลออกมาเราเห็นว่าโอ้เป็นนี้เนาะถาดดินนะมันแข็งเกินไปก็ไม่ไหวอย่างกินข้าวกินหนั ก, นกๆเกินไปไม่ได้นะต้องเติมน้ำกินน้ำเข้าไปดินน้ำไฟต้องเผาผ่านอาหารนะ่ะก็มีความหมุนเในระดับหนึ่งแต่ถ้าเย็นเกินไปต้องห่มผ้าคลุ ม, มาไว้ถ้ายงนั้นมันแตกสลายนะตายนะ ผิวหนังผิวหน้าผิวแข้งผิวความมันแตกโมดต้องคลุมให้มันอยู่ในจังหวะหนึ่งอบุพอดีไฟพอดีลมพอดีลมพอดีอ ด, ดินน้ำไฟลมต้องเติมอยู่เรื่อยๆนะดินเราก็ต้องสแหวงหาเห็นไหมเราสแหวงหาดินดินก็คืออาหารการกินนี่แหละเติมเข้าเติมเข้าเติมเข้ามาเป็นผมผลเล็บฟันหนังในขณะเดียวก็นส่งหว่งหาน้ำหาน้ําคือน้ําดื่มอะ ทั้งหมดเลยแต่น้ำเมาเนี่ยไม่ใช่นะคนละอันกันนะแต่คนมันก็สวยงาหาคนที่ไม่มีสติปัญญาเนี่เติมเข้ามาให้มันพอดีแล้วก็ลมก็พอดีฉั้นเดี๋ยวนี้เราซื้อเอาแต่ธาตุซื้อเอาธาตุดินน้ำไฟลมมาผสมให้ให้มันคงตัว อ, อยู่ได้เนี่ยชีวิตเรานะ่ะนั่นจะถามว่าเราเป็นผู้วิเศษมไหมไม่ใช่เราเกิดแต่กรรมเกิดจากการกระทําของเราเองนี่แหละที่เราเอามาใส่แล้วมันคงตัว อ, อยู่ได้กินมากก็อ้วน ลมพัดมากก็แห้งใส่น้ำมากก็เหลวไปหมดอนะ่ะตัวนี้ไปมาลำบากเสื้อผ้าเขาสกปรกเหงื่อไหลครายย่อยนะดินน้ำไฟเราเห็นไหมชีวิตเรามันไม่ได้อิสระเลยมีมีธาตุที่สี่นี่ธาตุอะไรอ๋อธาตุที่5เ่ห้เาเมื่อกี้พูดมาถึงธาตนะุสี่น่ะดินน้ำไฟลมธาตุที่ห้ามีธาตุอะไรเป็นธาตุอะไร วิญญาณวิญญาณนะธาตุวิญญาณคนเราเนี่ยมีดินน้ำไฟลมอันนี้มันมีไหมมีดินน้ำไฟลมไหมอันนี้มีไหมมีไหมมีนะแต่ปริมาณมันไม่เท่ากันน่ะลมมันอาจจะมีน้อยน้อยอันนี้เหมือนกันมันมีดินน้ำไฟลมอยู่ในทว่าแต่ปริมาณธาตุลมธาตุน้ำมันจะมีน้อย เสาเนี่มีมีท่านุน้ำไหมมีน้ําผสมอยู่บ้างไหมเดีย๋ยวนี้ก็มีนะแต่มีปริมาณ น, น้อยๆแต่ธาตุน้ำเยอะๆมันเหมือนแม่น้ํำนะ่ะนั่นแม่น้ ำ, นำ อ, อากาศก็มีอยู่นน้อยเรานี่ที่รูปร่างหน้าตาเป็นหนี้ก็คือมีท่า ด, ดินน้ําไฟลมเแ่บผสมกันอยู่แต่ว่าคนเราต้องมีวิญญาณนะปัญหามันต่างกันตรงนั้นนะนะคือว่าอุปาธินกะสังขารนะอุปาธินกะสัง คือสังขารที่มีวิญญาณคลองกับไม่มีวิญญาณวิญญาณก็คือแปลว่าอะไรวิญญาณวิญญาณคืออะไรคะอื้พวกเนีมันมีวิญญาณหรือเปล่าเนี่ยวิญญาณแปลว่าความาการรับรู้นี่แหละความรู้สึกเนี่ยมีมันมีแค่นี้มนุษย์เราเนี่ยมีแค่ความรู้สึกอ่ะเนี่ยมันมาเติมเส่ในธาตุสี่แต่ถ้าตัดตัววิญญาณออกมันก็ไม่มีอะไร มันไม่มีอะไรแต่วิญญาณของมนุษย์เนี่ยมันมันมีความเข้มกว่าสัตว์การรับรู้เนี่ยมันดีกว่ามันมีความจําคอะไรอย่างพวกหมอพวกอะไรต่างเนี่ยเขาจะเป็นเป็นสัตว์ประเภทที่มีวิญญาณความจําคอะไรเขาเก่งเนะี่ยสมองเขาดีความจํเขาดีเขาก็เลยเอาไปรับผิดชอบชีวิตมนุษย์รู้จักยานั้นผสมนั้นอันนี้อย่าลืมนะถ้าลืมเราก็ยุ่งนะนี่ผาตัดอย่าลืมเอาดึงเอากันไกลออกด้วยนะเนี่ยของเรานี่สติมันไม่ดี มันก็จะลืมไปหมดแหละยานั้นยานี้สูตรนั้นสูตรนี้มันลืมหมดนั้นวิญญาณต้องอยู่ในระดับหนึ่นวิญญาณนี่รวมทั้งเวทนาสัญญาสังขารด้วยวิญญาณขันเนี่ยก็คือใจนั่นแหละใจที่มาครองเนี่ยมันมีหน้าที่คิดได้ด้วยจําได้ด้วยคิดปรุงแต่งอะไรนไี้ด้วยมันมีวิญญาณอ่นนี้ มนุษย์เรามีธาตุเนี่ยด้วยวิญญาณนธาตุเนี่ยอยู่ในตัวคนแต่ตัวนี้แหละที่มันเป็นปัญหาเนี่ยวิญญาณมันต่ําเพราะมันไปเสพอะไรทางทาหูจมูกนิ้นกายใจแล้วมันไปติดอารมณ์เนี่ยมันติดความพอใจไม่พอใจมันหลงเน่ะมันหลงแล้วมันหนองไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามันมีวิญญาณอีกชนิดหนึ่งนะในจิตมนุษย์เขาเรียกว่าวิญญาณที่ธาตุที่หกเนี่ยเขาเรียกว่าเรียกว่าโอกาสสัทธา ธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมวิญญาณธาตุและโอกาสธานโอกาสธานก็คือสภ า, าว่าความว่างความว่างไม่ใช่ลมนะแต่สภ า, าว่าความว่างจากความทุกว่างจากความปรุงแต่งว่างจนถึงที่สุดที่เรียกว่านิพพานธาตุเนี่ยมันมีในคนนั้นคนเราจะมีหกธาตุดินน้ําไฟลมวิญญาณธาตุและโอกาสธาน ทำตัวโอกาสสถทานี้ให้ปรากฏให้มันจำชัดจิตเนี่ยนะตัวสังเกตดูเวลามันผัดสะมันจะเกิดเวทนาอะไรผัดสะก็อายตนะตาหัวจมูกนิ้วาใจกระทบกับรูปรถขีนเสียงสัมผัสแล้วตัววิญญาณเนี่ยมันจะเข้าไปไปเสพเอาถ้าตัววิญญาณมันไม่มีความระลึกรู้ตัวเตรียมมาไว้เนี่ยมันจะหลงเข้าไปในอารมณ์ทันที ดังนั้นท่านก็ให้รู้ตัวตื่นตัวอยู่สม่ำเสมอให้เห็นเวลาผัดสะเวลามันเกิดผัดสะทางอายตนะนี่รู้เท่าทันแล้ออกมาอยู่กับปัจจุบันไหวเข้าไหวเข้าและเห็นเฉยเฉยเห็นแล้วอย่าไปปรุงแต่งนะเห็นอย่าไปปรุงแต่งมันอะไรเกิดขึ้นก็ให้สักแต่ว่าเห็นเฉยเฉยน่ะเป็นธาตุธาตุตัวนี้เป็นธาตุหลักที่สี่ที่จะไหลขึ้นมาก็คือถ้าไม่ทันนะ สิ่งที่ปรากฏคือกมีราคะฆาฏโทสะโมหะโลภะธาตุเล็กธาตุน้อยจะปรากฏเกิดขนะึ้นเนี่ยที่เขาเรียกว่าหมื่นโลกธาตุเนะี่ยหมื่นโลกธาตุคนะืออารมณ์เกิดขึ้นมากมายหลากหลายที่เกิดจะไม่ทันธาตุสีเนี่ยมันท่านให้รู้เท่าทันคนเนี่ยที่เขานั่งฟังบุรุษยาพูดถึงเรื่องธาตุเนี่ยที่เขาว่าเฮ้ยธรรมะท่านมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยดีอะไรประมาณนั้น เวาฟังด้วยนี่ปุกุสาตินะเนี่ยชื่อเขาพระองค์เนี้ยชื่อปุกุสาติเป็นลูกชายในยช่างปันมอเนี่พอฟังมาพูดพระพุทธเจ้าพูดไ ป, ไปพูดมาเนี่เฮ้ยคนนี้มันต้องเป็นพระพุทธเจ้านะเนี่ยเรื่องนี้เรายังไม่เคยฟังอ่ะอิงถ้าพูดถึงเรื่องว่ามีนิพพานธาตุมีโอกาสสะทายอยู่ในจิตคนเนี่ยคนเรามีแค่นี้นี่ ไม่ปรุงแต่งอยู่เฉโอ้พูดคํานี้เป็นแสดงว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเรยว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเนี่ยขึ้นมาตะดีอ่ะท่านเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ยิ้มเนี่ยท่านก็นยิม้มท่านก็นลงก้มกราบลงก้มกราบลงพอพูดมาแบบนี้เนี่ยพอก้มกราบลงสว่างสว่างดีงขึ้ น, นัะดีเลยจิตเขาเนี่ยบรรลุพระอนาคามีเลย ดับอาสวะได้ระดับหนึ่งเหลือเหลือในน้อยนะอุปาดิเซเซนาคามิตาคือยังมีอุปทานเหลืออยู่นะพอมันสว่างแจ้งแต่ละครั้งเนี่ยอุปทานมันจะหายไปถ้าเกิดมันสว่างเกิดรู้แจ้งขึ้นมาบางทีมันเป็นแต่เพียงปีติเฉยเนี่ยอุปทานมันจะไม่หายมันก็จะเหมือนเดิมรับชังโกรธเกลียดยังอยู่เหมือนเดิมแต่อันนี้ปรากฏเกิดขึ้นแล้วมันหายไปอะ่ะแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าแล้วเขาก็บอกว่า พระพุทธเจ้ายังไม่ตอบอะไรนะท่านยิ้มจิตเจดีระข้าพเจ้าขอบวชในาศาสนาของพระโคดมหน่อยเถิขอบวชไอ้ที่บวชอยู่แล้วนะตอนบวชก็บวชอยู่แล้วแต่เห็นพระพุทธเจ้าก็ขอบวชใหม่พระพุทธเจ้าเลยว่าโอเคก็เลยเดินออกจากนั่นไปไปไหนไปหาผ้าไปหาผ้าเตรียมจะมาบวชนี่แหละ ผ้ามันมีอยู่ตัวนั้นแต่มันยังไม่ครบหรือมังเลยไงไม่รู้นะไปหาผ้าพอออกไปปุ๊บก็โดนไปหาผ้าเขาไปหาที่ไหนหาทนะําขยะนะฮะโพลังพจนั้งบวชเขาไม่มีโอ้อินเดียมันอันตคัดยังอะไรดีโยมไหมมันไม่มีหรอกจะไปหาอยู่ที่โน้นที่นี่เรียลาดเนี่ยบ้านดินหนึ่งนี่ถ้าใครอยากได้แบบอย่างไปดูในอินเดียอินเดียมีแต่บ้านดิน มีแต่บ้านดินนะเพราะว่าเขาไม่มีไม้จะทําใครอยู่ที่ไหนคนนั้นก็ขุดเอาดินมาทําเองนะแต่เขาไม่สวยเหมือนนี้นะไอ้นี่มันสวยมันเป็นเหมือนสถาบานิคทำมาเนี่ยของเขาแล้วก็ธรรมดาธรรมดาเลยไปหายอยู่ในกองขยะนะทำกองขยะก็มี ว, วัวมีควายมีห ม, ม, หมูมีหมาอะไรอยู่แถวนั้น ว, วัววิ่งชนล้มตุมอยู่ทันทีเนะ่ ขิดตายพาไปบินถ้าบไปเห็นคนที่ฟังทมพระพุดดทธเจ้าเมื่มอวานตายอยู่ที่กองขยะนะเขาเลยถามว่าข้าแต่พงผู้เจริญอยากรู้ว่าวาระจิตของคนนี้อนาคตเขาหลังจากทาการละเนี่ยเขาไปไหนโอ้คนนั้นเหรอเข า, ารบรรลุพระนาคามีฟังเมื่อวานเนี่ยนะเขาเข้าถึง ความเป็นอนาคามีผลน่ะดับทุกได้ระดับหนึ่งแล้วเหลืออยู่นิดเดียวเองเขาก็สิ้นชีวิตก่อนเป็นบุตรฐาคตนี่เองนักบวชที่ตายนั่นน่ะเขาไปหาผ้าเพื่อจะเตรียมมาบวชท่านเขาสะสมมานานไอตัวรู้พอฟังปุ๊บนี่มันจะปิ้งทันทีคือตั้งใจพอยิ่งฟังและยิ่งเข้าใจอ่ะของเรานี่ยิ่งฟังก็ยิ่งห่วงยิ่งฟังก็ยิ่งห่วงิ่งฟังก็ยิ่งหลับ ยิ่งฟังยิงเบื่อไหน่แล้วมันจะมาแจ้งอะไรอีกมีใจดวงอาทิตย์และแจ้งขึ้นมาเนี่ยชีวิตเรามีแค่นั้นนะแค่ธาตุนะแค่ธาตุสีนั้นกลับไปบ้านก็จะไปสะสมอะไรมากมายนะกอาหารการกินอย่าไปสะสมมากเงินทองข้าของก็จะไปสะสมอะไรมันเยอะแยะหาไว้เตรียมไว้เวลาแก่เท่ามาไปหาหมดหาหมอก็ลําบากก็เตรียมเงินเตรียมทองไว้หน่อยขยันมากอย่า ง, งมงายอย่า หลงไหลมากจนเกินไปแล้วหนึ่งก็คือทรัพย์สมบัติเนี่ยเราหาทัพภายในทรัพยนอกก็พอมีอยู่แล้วก็หาภายในไปด้วยชีวิตเนี่ยอย่าไปทิ้งอย่าไปปล่อยหาทัพภายในเนี่ยทัพภายในคือศรัทธาศีลฮิลิโอตปะพระองสัจจะข้าพเาเตรียมไว้หาไว้มีศรัทธาหรือยังมีศีลไหมศีลก็คือความปกติแหละพอมัน รู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อไหร่ก็ความปกติโอ้มันไปหนีนี่เองเนาะแล้วก็รักษาความปกตินะให้มากขึ้นมาขึ้นเนื่องกายเป็นสมาธิสมาธิคือมันต่อเนื่องนั่นแหละพอต่อเนื่องก็เกิดยะถาพุทธิยานเห็นอะไรแต่ความก็ปิ้งขึ้นมาก็สามารถสลัดไอ้ทุกข์ที่มันเป็นอุปทานที่มันเป็นสังโยชน์อยู่ในใจเนี่ยมันก็หายไปนั่นเองเพราะมันหายไปมันก็เกิดการรู้แจ้งขึ้นมา การทำได้การรู้แจ้งกับการทุกข์มันหายกับการการรู้กับการที่ทุกข์มันหายมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันมันเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นมาในความมืดจะหายไปเหมือนกันเวลามันรู้แจ้งเมื่อไหร่เนี่ยทุกข์มันจะหายไปตอนนั้นแดีไม่ใช่เข้าใจนะเข้าใจนี่ยมันยังไม่หายนะนะสนุกหรอกปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าคนไหนคิดว่าออชีวิตมันมีแค่นี้เหรอแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ย มันสามารถเห็นได้รู้ได้เข้าใจได้ในพบนี้ชาตินี้นะอย่าไปหวังเอาพบนั้นพบนี้หลายพบหลายชาติชีวิตเนี่ยมันมีแค่นี้แหละนะแล้วอย่าให้มันเป็นทุกข์เกิดมาแค่เนี้อย่าให้มันทุกข์ถ้าเกิดมาแล้วได้โอกาสนะเกิดมันเป็นมนุษย์เนี่ยพ บ, พบพระพุทธศาสนาด้วยแต่ว่ายัางทำให้ตัวเองให้มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยยังติดอารมณ์ยังติดทิกอยู่เนี่ยโอ้ย อันนี้น่าคิดอ่ะเนี้ยไม่น่าจะเกิดมาเป็นคนเลยเพราะคนนี้มันได้โอกาสกว่าสัตว์คนนี้มันมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันเห็นว่ามันคิดนะ น, นี่เห็นความปรุงแต่งนะ น, นี่มันมีเหตุผลเวลาพูดด้วยฟังมันก็เข้าใจก็เอาไปปฏิบัติได้แต่สัตว์เนี่ยมันไม่มีโอกาสนะมันไม่มีสติเพราะที่จะมาเลืลึกรู้ได้เขาเสียโอกาสสว่างหรื อ, อยังเนี่ยหือ ยังอีกเลอโอ้เมื่อยแล้วนะเทศเนี่ยมี่นมันามาถึงหลับออกเนี่ยจักรจันก็ขึ้นมาอีกแล้วยังไม่ตื่นก็มันรูปไปช่วยกันเทวดาแหละนี่คราวนี้ว่าเทวดามาช่วยกันประกาศเอา้าโรวตาจะให้พระท่านพาเดินจุกกลมนะมาเนี่ยเดินจกุกกลมอ้อมอ้อมไปดวูวิวจะเผื่อให้มันตื่นตัวคนที่ยังไม่ตื่นก็ขยา่าถาดรูกให้มันตื่น รู้สึกตัวยให้มันตื่นทำนํำแรงๆดินั่งคุกเข่าบ้างอะไรบ้างเยมันจะไม่ตื่นไงกลางวันนะถ้ามันห่วงมันเหงาอยู่บางคนมันไม่ได้อารมณ์ได้ยินเสียงเพลงก็ใส่ไปกับอารมณ์เสียงเพลงก็ได้เอาจังหวะเข้ากับอันนั้นก็ได้จิตมันก็จะตื่นหรอกมันไม่ได้อะไรก็ได้ไม่เหงากูก็เอาละไม่อายคนกูก็เอาละมานี่พอแนละ้ พยายามนะโยมนะยังเหลืออยู่เนี่ยวันนี้ก็ยังทําได้อยู่เดินไปนี่เดินไปรู้สึกไปเดินไปรู้สึกไปเนี่ยรู้สึกให้ใจอยู่กับเท้านะใจรู้จักใจนะใจก็ความรู้สึกควรอย่าให้มันออกไปใจเนี่ยดึงกลับมาอยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ่อยๆไม่ไปไหนมาไหนหรอกมันไปไหนเดี๋ยวมันก็มาอีกอ่ะมันมาอีกแต่เรามาอยู่ที่นี่มันกคไปบ้านไปบ้านเดี๋ยวมันก็นมาอีก จิตนี้มีถ้าคือกายเป็นที่อาศัยแม้มันจะไปไหนพันธนังจะประลังจิตตังมันวิ่งไปนะมันโผกผันยังไงก็ตามเดี๋ยวมันก็กลับมาเพราะว่าถ้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยแค่เรารู้สึกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็มาไม่ต้องไปดูมันไม่ต้องไปตามดูว่าคิดหนอคิดหนอไปไม่ต้องรู้สึกอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันกลับมามันแวบไปเดี๋ยวมันก็มาแล้วไม่ทำมันไปเดี๋ยวมันมาเองมันไม่แล้วก็อยู่ตรงนี้แหละมาแล้วก็มัดมันไว้นะแล้วเรื่องรู้ลงมัดมัดมัดให้มันนิ่งหน่อยแล้วเราจะฝึกมันเน่ะ ได้วัวได้ควายจะฝึก ว, วัวพวกควายต้องจับมันได้ก่อนนะอันนี้ก็เหมือนกันต้องจับจิตให้มันได้ก่อนถ้าจะฝึกมันได้เอาเตรียมตัวนะกเขา